ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่19เรื่องว่าอารยธรรมมนุษย์นี่สร้างขึ้นมานี่โดยที่มนุษย์นี่ก็มีปัญหาเรื่องการสนองความอยากในทางตัณหาที่จะเสพด้วย อันนี้ก็สัตว์ทั้งหลายอื่นก็มีความฝ่ายเสพอยู่ในการเสพเป็นปกติแต่ว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายอื่นจึงไม่สามารถสร้างอริยธรรมใช่ไหมฮะอันนี้ก็ในตัวมันเองก็ตอบไปแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าจะคุยกันอีก มีข้อที่น่าสังเกตสองอย่างก็คือว่าเอาละหนึ่งที่เราพูดกันไปแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นมันไม่มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ที่เรียกว่าศึกษาแล้วก็สร้างสรรค์ใช่ไหมคือมันฝึกตนไม่ได้นั่นเองมันไม่ใช่สัตว์ที่ฝึกได้คือฝึกได้ในขอบเขตจํากัดจกนกระทั่งเราเรียกว่าฝึกไม่ได้ ทีนี้มนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงนี้ตรงที่ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียกว่าศึกษาและสร้างสรรค์ได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้มนุษย์สามารถสร้างอารยธรรมแต่ปมปัญหามันอยู่ที่ว่ามนุษย์นั้นมีไอ้ตัวความต้องการที่จะเสพหรือตันหานี้เป็นพื้นอยู่เจ้าฝ่ายตันหานี้มาครอบงำสนิเนี่ย ก็ไปเป็นตัวแรงอิทธิพลที่เข้ามาอยู่เบื้องหลังที่ทำให้การศึกษาการสร้างสารรค์นั้นกลับไปสนองด้านเสพหรือด้านต้องการเสพส ะ, ะมันก็เลยทำให้มนุษย์ไม่สามารถจะพัฒนาอารยธรรมไปในทางที่จะดีงามแท้จริงได้อารยธรรมก็เลยกลายเป็นตัวก่อปัญหาซะเองและอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า ดูสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยที่มันเสพมันเสพอยู่แค่สัญชาตญาณมันจํากัดมากนะแม้แต่การเสพเขามันเนี่ยนะหาอาหารการกินมาเสพเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันจะไม่มีไอ้เรื่องของการทําให้วิ จ, จิตพิสดารอย่างคนมนุษย์นี่สิมันอยากจะเสพแล้วมันพัฒนาที่จริงมันไม่ใช่พัฒนานะแต่ว่าเราต้องเอาศัพท์นี้มาใช้เรียกว่าพัฒนา ขยายนั่นเองขยายปริมาณและดีกรีของการเสพเนี่ยให้มันหนักหนามโหลานอย่างที่เรียกว่าเทียบกับสัตว์อื่นไม่ได้เลย อ, อันนี้ด้านนี้มนุษย์ก็เหลือเกินแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะว่าสัตว์ทั้งหลายที่มันเป็นนักเสพมันไม่ได้เป็นนักเสพมากมายอย่างมนุษย์อะมันเสพแค่ตามสัญชาตญาณแล้วมันก็จบ นะอันนี้เห็นชัดใช่ไหมฮะเรื่องการเสพของมนุษย์นี่มันเหลือหลายละนี้ยิ่งมนุษย์มาเข้าใจผิดนี่าความสุขของตนอยู่ที่การเสพด้วยแล้วก็มันก็ยิ่งมาเน้นด้านนี้นั่นจะเห็นไว้ได้ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของอารยธรรมเนี่ยมาสนองในด้านเนี่ยนะพัฒนาที่เรียกว่าด้านวัตถุก็เพื่อจะ สนองตันหาในการเสพของมนุษย์จนกระทั่งสังคมนี้กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมไปนี่ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้หันกลับมาเรื่องของอริยธรรมของมนุษย์อย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงสัตว์อื่นแล้ะเอามนุษย์เองเนี่ยอริยธรรมมนุษย์ที่เป็นมานี่ก็จะมีข้อสังเกตเพิ่มไปขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่า การที่มนุษย์มีการศึกษาและสร้างสรรค์เนี่ยมักจะไม่ได้เกิดจากปัญญาที่แท้จริงคือมักจะเกิดจากเหตุบีบคั้นโดยเฉพาะความจําเป็นเช่นในการอยู่รอดอย่างอารยธรรมตอนตกที่เจริญมาได้อย่างนี้เราเรามาเทียบกับตะวันออกของเราเนี่ยเน่ยเขาก็ภูมิใจว่าเขาเนี่ยได้สร้างสรรค์อารยธรรมเจริญก้าวหน้ามากใช่ไหม อันนี้เบื้องหลังการสร้างสรรค์อา ร, อรยธรรมซึ่งตัวสําคัญก็คือเนี่ยเรื่องการศึกษาและสร้างสารรค์คือต้องเรียนรู้ต้องแสวงหาปัญญาอยากจะรู้อะไรเป็นอะไรมีความใฝ่รู้แล้วก็พยายามสร้างสารรค์มีความเพียรพยายามในการกระทําเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ไม่ถอยอะไรเงี้ยอันนี้มาเกิดมาได้อย่างไรก็เกิดจากแรงบีบคั้นของความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสําคัญมนุษย์ ก็ในฐานะที่เป็นบุตุชนเนี่ยแกก็มีความโน้มเอเียงไปทางด้านความรู้สึกอย่างที่เราพูดกันแล้วใช่ไหมก็ถ้าได้เสพก็สบายอยันี้ถ้าแกไม่มีเหตุมาจําเป็นบีบคันเนี่ยนะแกก็จะได้สิ่งเสพพบสิ่งเสพแล้วแกก็เสพแกก็สบายก็หยุดก็นอนสเสวยสุขในอย่างสังคมตะวันตกสังคมตะวันออกโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยเราน่าจะเห็นได้ชัดว่าสังคมตะวันออกอย่างเมืองไทยนี้มีความบูรณาสมบูรณ์ นอกจากอุดมสมบูรณ์แล้วในเรื่องข้าบพืชพันณัญญาหารในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวและธรรมชาติมันยังไม่บีบคั้นด้วยอยู่ก็สบายอย่างที่ฝรั่งมาเมืองไทยเขาบอกว่าธรรมชาติเ ม, มืองไทยนี่เฟรนลี่มันมันเป็นมิตรมันไม่เหมือนมองเขามองเขานี่มันบีบคั้นเขาทำให้เขารู้สึกเป็นศัตรูมันต้องสู้อันนี้ฝรั่งก็หนึ่งก็มีความขาดแคลนเรื่องของ พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์และมีเรื่องของสภาพธรรมชาติเนี่ยมาบีบคั้นก็คือว่าเช่นอากาศหนาวเมื่ออากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวนี้ก็ขาดแคลนอาหารอย่างที่เคยเล่ามาแล้วอันนี้ความบีบคั้นอันเนี้ยที่ทําให้เขาพยายามดิ้นหลนเพื่อการอยู่รอดจากความบีบคั้นของสภาพความเป็นอยู่นะ่ยก็ทําให้มนุษย์ดิ้นหลน่น การดิ้นรนก็คือจะต้องหาทางอยู่รอดการที่มีความจาเป็นบีบคัน้นอันนี้ก็ทำให้แสวงหาความรู้นะแล้วก็เมื่อแสวงหาความรู้แล้วก็คือจะทำยังไงให้มันสำเร็จให้มันได้มีกินมีใช้เป็นต้นอะไรก็ทำให้มีทั้งการเรียนรู้แล้วก็การกระทาที่เรียกว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมนี่จาก สภาพชีวิตของตะวันตกที่เป็นพื้นฐานอันนี้ผลักดันให้คนตะวันตกได้ดิ้นรนขนขวายเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมเลยเป็นวิถีชีวิตของเขายาวนานเป็นร้อยร้อยปีหรือแม้แต่ทั้งเป็นพันปีในสภาพการอย่างนี้ก็ทำให้เกิดคนที่ได้ผลจากวัฒนธรรมอย่างนี้ ก็คืออริยธรรมตอนตกนี้พูดได้ว่าได้สร้างสรรค์คนที่มีไอตัวจิตที่มีความใยรู้แล้วก็ใยสร้างสรรเนี่ยขึ้นมามากเหมือนกันแล้วคนพวกนี้แหละที่เป็นแกนในการสร้างสรรค์อริยธรรมที่อยากจะรู้ธรรมชาติว่าความจริงของมันคืออะไรจะหาความจริงให้ได้ทำไมไม่ถึงความจริงแล้วไม่ยอมหยุดแล้วพวกนี้ก็จะไม่เห็นกับการเสพ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดในชีวิตของพวกนี้จะมีความสุขจากการที่จะแสวงหาความรู้ต้องการความจริงอย่างเดียวแล้วก็จะมามีพวกที่สร้างสารรค์ก็เช่นเดียวกันพวกนี้ก็จะเหนื่อยจะยากยังไงก็สู้ทางนั้นทําการที่ตนต้องการที่ว่าถือว่าดีที่ได้พิจารณาวว่าดีเนี่ยให้สําเร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตอนตกก็จะมีคนที่มีนิสัยใจคอที่เราเรียกว่าฝ่ายรู้แล้วสู้สิ่งยากเนี่ยมาก ซึ่งวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็สัมพันธ์กันมากับสภาพจิตนี้ด้วยคือว่าทางสภาพจิตนี้เป็นเหตุเช่นว่าความใฝ่รู้ก็เป็นเหตุให้พัฒนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และก็พัฒนาพัฒนาตัววิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยแล้ววิทยาศาสตร์เองในกระบวนการค้นหาความรู้ก็ทําให้คนนั้น พัฒนานิสัยใจขอใฝ่รู้ด้วยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนี่อีกด้านหนึ่งก็คือการที่จะสร้างสรรวัตถุขึ้นมาให้สังคมมีความพรั่งพร้อมให้กินมีใช้มันก็เกิดอุตสาหกรรมซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็ทำให้คนมีความขยันหมั่นเพียรสู้ลำบากเหนื่อยยากไม่ถอย และการที่เขาสู้เหนื่อยยากไม่ถอยได้ก็กลายเป็นปัจจัยให้เขาพัฒนาอุตสาหกรรมสำเร็จเป็นปัจจัยซึ่ ก, กันและกันใช่มัฒนธมอสาหกรรมก็สร้างคนเข้มแข็งนักผลิตนะแล้วคนที่มีนิสัยนักผลิตก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก็เป็นปจัจจัยก็ทาให้สังคมนี้เจริญงอกงามมาก่อนนี้ก็ตามคำภีเนี่ยในพัจัยปีดกัตถาเนี่ย พระพุทธเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ๆอย่างป่าหมหาวันนี่นะกินเขตแคว้นต่างๆนะพวกแคว้นสกยะแคว้นพวกวัดชีถ้าแคว้นบัรล ะ, สะแสดงว่าป่าพวกนี้ใหญ่โตเลยเกิดเดี๋ยวนี้มีที่ไหนละ่ะใช่ไหมแล้วอย่างลุมพินีที่พระพุทธเจ้าประสูตรเนะี่ยก็เป็นป่าเป็นสวนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีตะทุ่งนานะแล้วอินเดียเดีย๋ยวนี้ต้นไม้เหลือแต่ต้นเล็กๆนะแล้วกั เขานน่เขาหว โ, โลนเขาไม่มีต้นไม้เลยนี่เยอะแยะไปหมด เ, เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ว่ามันก็เกิดจากอารยธรรมมนุษย์ด้วยเพราะอารยธรรมเกิดที่ไหนก็จะทำลายธรรมชาติแล้วการที่ธรรมชาติมันพินาศไปก็ทาให้มนุษย์นะ่ะอยู่ไม่ได้อารยธรรมก็สลายเป็นอย่างนี้เยอะใช่ไหมฮะมันก็เป็นวงจรแต่ทีนี้ตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองอังกฤษก็เอาทรัพยากรธรรมชาติไปมาก ผลออกมาไม่เมื่อไปไม่รู้ทหร่นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งด้วยแต่อินเดียนี้ก็เป็นกระบวนการของอารยธรรมที่ทําให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมมายาวนานนะฮะแต่นี้อินเดียก็เคยเจริญด้วยอารยธรรมมากซึ่งฝรั่งก็ยอมรับว่าพวกวิทยาศาสตร์พวกคณิตศาสตร์เนี่ยเจริญในอินเดียก่อนจีนและอินเดียนี่เจริญมากแล้วก็ ฝรั่งเมื่อถอยหลังไปสักพันปีนี่ก็แพ้พวกจีนและอินเดียใช่ไหมในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เขาก็พัฒนาจนล้ําหน้าไปเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของฝรั่งอีกทีหนึ่งนี่ก็ฝรั่งนี่ได้แรงบีบคั้นของสภาพความเป็นอยู่ในทางธรรมชาติอย่างหนึ่งและนอกจากนั้นยังมีความบีบคั้นในทางสังคมเพราะมนุษย์นี้เบียดเบียนกัน แล้วก็ความเชื่อทงางศาสนาก็เข้ามาบีบคั้นด้วยเพราะว่ า, าศาสนาคริสต์นี่ใช้ศรัทธาเป็นหลักแล้วก่อนาศาสนาคริตสต์ศาสนาพวกก่อนก็บีบคั้นาศาสนาคริสต์มาก่อนใช่ไหมเอาพวกคริสต์นี่ไปฆ่าจับเอาไปสู้กับสิงโตอนะไรเงี้ยใช่ไหมในอาณาจักรโรมันนะ่ะตายไปไม่รู้เท่าไหร่แตพวกนี้ก็พอใหญ่ขึ้นมาก็บีบคั้นพวกอื่นนี่พออาณาจากักรพอคริสต์ใหญ่ขึ้นมาครอบครองยุโรปหมด ใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้โเป็นผู้สวมมงกุฎให้แก่กษัตริย์ยุโรปทุกคนเนี่ยก็บังคับนะกษัตริย์องค์ไหนไม่เชื่อฟังให้เดินเท้าเปล่าจากเมืองมาหาปบทิวติกันมาขอขมาโทษอะไรงี้เป็นต้นนะก็ตั้งศาลว่าใครไม่เชื่อไบเบิลจับขึืนศาลเขาเรียกอินควิซิชันใครพูดจะลบหลู่หรือ แสดงความไม่เชื่อเล่นิดหน่อยถามสงสัยไม่ได้เท่านั้นนะจับขึ้นศาลนี้ถ้ามายอมที่จะถอนความเชื่อก็จะต้องถูกเผาทั้งเป็นหรือให้ดื่มยาพิษโดยเฉพาะในสเปนนี่เผาเป็นหมื่นๆ น, นะเผาตายดังนั้นการบีบคั้นในทางความคิดนี่มากคือไปพูดอะไรผิดจากคมภีไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเริ่มตั้งแต่ เรื่องดาราศาสตร์นน้ำนะในเรื่องความเจริญทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแทบจะเริ่มจุดฟิสิกส์นี่เริ่มจากดาราศาสตร์เลยว่าดาวจักรวาลเป็นยังไงใช่ไหมนี่โลกไปศูนย์กลางของจากนนักรวาลนี่คิสก็สอนอย่างนี้ทีนี้พอพวกที่นักคิดมาหาความรู้มาสอนว่าไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล กาลิเลโอถูกจับขึ้นศาลเลยใช่ไหมกาลิเลโอก็กลัวตายก็เลยยอมยอมรับว่าตัวเองผิดว่าหลงผิดไปก็เลยรอดเมื่อไ ง, งาก็จะถูกให้ดื่มยาพิษตายใช่ไหมแต่นี่แหละก็เกิดการบีบคั้นทางปัญญาเมื่อบีบคั้นคนก็ยิงดินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งสัญชาตญาณมนุษย์นี่ถ้ายิ่งถูกบีบก็ยิงดินนี่ยถูกบีบในความเป็นอยู่ในร่อธรรมชาติไม่อยู่ไม่มีจะ ก, กินก็ดิ้นรลน หาทางรอดเพื่อจะมีกินทีนี้ในทางปัญญาถูกบีบมันก็ดิ้นลนนมันก็มาจับกลุ่มกันเป็นการลับๆเพื่อจะแสวงหาความรู้ใช่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่ทำให้ตะวันตกนี้เกิดมีคนที่ใฝ่รู้อย่างแรงกล้าแสวงหาความรู้ก็เป็นทางหางความเจริญของวิทยาศาสตร์และก็ทางสังคมที่มันข้าฟันกันมากอีก นะการที่มาบีบคั้นกันรักตันเนี่ยเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ยเป็นเหตุให้คนที่ได้มีความคิดที่จะดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดแล้วก็เพื่อจะให้ตัวเองอยู่ดีกินดีแล้วมันยังมีไอ้ความเชื่ออะไรต่างๆเข้ามาอีกซึ่งมีเยอะในภูมิหลังของสังคมตะวันตกนะซึ่งรับทอดกันมาเรื่อยแต่ว่าทีนี้เรามาพูดในแง่ว่าเอาละ จากแรงบีบคั้นของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติก็ตามสังคมก็ตามเนี่ยก็ทำให้ฝรั่งนี้ได้พัฒนาเรื่องความไฝ่รู้สู้สิ่งยากขึ้นมาเนี่ยมีวัฒนธรรมวิทยาศาสต ร, ร์วิทยธรมวัฒนธรรมอุ ร, รุหกร ร, ร, ร, รรมเป็นต้นก็ทำให้เกิดคนดีเยอะเลยแต่อย่างไรก็ตามจุดสำคัญก็คือว่ามองในระยะยาวอารยธรรมทั้งหมดที่สร้างนั้นมันมีจุดหมายไปที่ว่า ก็ไปคิดว่าและเชื่อว่ามีวัตถุเสพพรั่งพร้อมนั่นแหละคือความสุขสมบูรณ์เพราะนั้นพวกนี้นั้นแม้ว่าไอ้ตอนที่ตัวเนี่ยสร้างสรรค์อยู่เนี่ยนะตัวเองไม่เห็นแก่ไอ้สิ่งเสพเหล่านั้นแต่ว่ามันมีเป้าหมายของสังคมระยะยาวโดยหวังว่าที่การที่เราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์กันไปอย่างเงี้ยสังคมของเราในระยะยาวนูน้นท่าน้า จะมีวัตถุเสพพร้อมจะมีความสุขนั้นเป้าหมายมันกลับไปอยู่ที่วัตถุเสพอีกอนี่มันจุดพลาดของเขาแต่ระหว่างนั้นไอ้ตัวปัจจัยในการสร้างสรรนี่เราจะเห็นได้เลยว่าพวกนี้พวกระยะที่กำลังสร้างสรรนะเช่นในวัฒนธรรมุรุหกรรมเนี่ยพวกนี้ไม่มีความฝ่ายเสพเพราะว่าพวกนี้จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะ แล้วมีจริยธรรมในการทำงานซึ่งเขาภูมิใจนักว่าที่เขาเจริญมาได้สร้างอุสาหกรรมมาได้เพราะเขามี Work e t h อ c ิจริยธรรมในการทำงานและจริยธรรมในการทำงานของฝรั่งคืออะไรก็คือการที่ว่ายอมที่จะอยู่อย่างง่ายกเม็ดกแม่ไม่เห็นแก่การเสพการบารุงบาเรอตั้งหน้าตั้งตาทำการทำงานไปไม่เอาความสุขส่วนตัว เพราะนั้นทํางานไปทํางานไปเถิดแล้วก็สะสมทุนเมื่อได้ทุนได้กําไรมาก็อย่าไปเอามาบํารุงบาเรอตัวความสุขเอามาลงทุนทําการงานต่อไปอันนี้คือจริยธรรมในการทํางานของฝรัง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงของการสร้างสรรค์วัฒธรรมและสร้างสรงรค์อารยธรรมของเขานี้ฝรั่งจึงเป็นคนที่ไม่ได้เห็นกับการเสพเลย แล้วก็รวมแล้วก็คือมีความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากอย่างที่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยตลอดมาแล้วก็อยู่อย่างง่ายๆพูดด้วยภาษาของเราก็เรียกว่ามีความสันโดษมีความสันโดษเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าไม่เห็นแก่การบำรุงกำเบลอปลนเปลืความสุขเลยแล้วพวกที่เป็นบุคคลสําคัญสําคัญที่สร้างสารรค์อริยธรรมของเขาเราก็เห็นได้ชัดมีนักวิทยาศาสตร์ก็มาจากการที่มีความใฝ่รู้อย่างสูง แล้วก็มีนักผลิตนักประดิษฐ์อะไรต่างๆที่แกไม่เอาใจใส่กับเรื่องความสะดวกสบายความการเสพอะไรการปลนเปลอร่างกายของแกหรอกแกเอาแต่ว่าจะทำการให้สาเร็จมีความสุขในการที่จะสร้างสารรค์เหล่านั้นเท่านั้นทีนี้มันเป้าหมายมันผิดเพราะว่าเมื่อเขาขยันมันเพียรมีความใฝ่รู้สู้สิ่งยากจนกระทั่ง สังคมเขามีความเจริญแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำให้มีวัตถุเสร็พรั่งพร้อมสังคมจะมีความสุขนี่ก็มนก็มาถึงยุคนี้สิกลายเป็นยุคที่สังคมของเขาเนี่ยพรั่งพร้อมพอพรั่งพร้อมเหมือนกับบรรลุจุดหมายใช่ไหมพอบรรลุจุดหมายนี้คนรุ่นใหม่มันก็เปลี่ยนไปเลยมันก็พลิกกลับไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยมันทำมาได้ใจฝ่ปรารถนาจุดหมายระยะยาวนูน่น จิตมันดีอย่างมันเห็นแก่สังคมใช่ไหมมันมีคุณธรรมมันเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่สังคมว่าสังคมทังตัวเนี่ยจ ะ, จะเจริญเห็นแก่ลูกหลานต่อไปมันมีคุณธรรมอยู่ด้วยแต่ว่าจุดหมายมันผิดมันมีทิฏฐิว่ามีวัตถุเสพ ร, รังพร้อมนั่นคือความสุขที่แท้จริงทีนี้พอมาบรรลุจุดหมายนี้มาถึงยุคนี้พวกฝรั่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคนที่เสียฐานคือว่า ไอ้ปัจจัยที่จะทําให้เขาเนี่ยมีนิสัยฝ่ายรู้สู้สิ่งยากเป็นนักศึกษาและสร้างสารรค์เนี่ยมันหมดใช่ไหมเพราะมันไม่มีแรงบีบคั้นอะไรแล้วที่เขาสร้างสารรค์มาเพราะเขามีแรงบีบคั้นนี่มันไม่ถูกแรงบีบคั้นแถมได้บรรลุจุดหมายว่ามีวัตถุเสพสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเลยก็กลายเป็นสังคมบริโภคเพราะฉะนั้นฝรั่งยุคใหม่ก็เกิดภาวะที่ว่าคนรุ่นใหม่นี้ชักจะเริ่มถอย ไม่ค่อยมีความใฝ่รู้ไม่ขยันอดทนจริยธรรมในการทํางานก็เสื่อมอย่างที่เคยเล่าว่าเวลานี้หนังสือในอเมริกาก็จะมีผลงานวิจัยเป็นเล่มๆก็มีที่ว่าทําไมอเมริกาจึงไม่มีจริยธรรมในการทํางานจึงเสื่อมในเรื่องเหล่านี้แล้วหนังสือต่างๆก็จะร่ําโอดครวนถึงการที่คนรุ่นใหม่นี้เสื่อมนะ่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรนะเอาแต่ว่าจะเอาความสะดวกสบาย เห็นกับสิ่งเสพบำรุงบำรเลออ่อนแอลงไปอะตัเนี้ยทำให้สังคมเสื่อมคุณภาพสินค้าอะไรต่วอะเสื่อมหมดนั้นอันนี้ก็มาดูเทียบกับสังคมของเราสังคมของเรานี่ก็อย่างที่ว่าแล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมจินฟ้าอากาศที่สุขสบายนั้นไม่มีแรงบีบคั้นที่จะทำให้คนที่หล่นคนควายใช่ไนั้นการที่จะฝ่ายรู้สู้สิ่งยากเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แล้ว เพราะว่าสิ่งที่จะเสพบำรุงมันมันมีอยู่ใช่ก็เสพมันอันนี้เอาและต่อมาอยากจะพัฒนามาถึงสมัยม4สองพันห้ารกว่าคนไทยไม่มีภูมิต้านทานอยู่แล้วเวลาเจอกับสิ่งเสพสมัยใหม่คือเทคโนโลยีจะตอนตกก็ยิ่งชอบสิ่งเสพเหล่านี้มองเทคโนโลยีในแง่ของสิ่งเสพไม่ได้มองในแง่เป็นเครื่องมือผลิต มองในแง่ที่ว่าจะมาบนบำุงบนเรือความสุขของตัวเองก็มีความโน้มเอียงในทางบริโภคราสเสพอยู่แล้วทีนี้พอเริ่มยุคพัฒนาพศ .2103 โดยประมาณบ้านเมืองจะอยากจะสร้างความก้าวหน้าแบบตะวันตกนะซึ่งเราก็มีความคิดอย่างนี้อยู่นานแล้วนะแต่ว่ามันยังคล้ายๆว่ายังไม่จับจุดพุ่งให้แรงตอนนี้พอถึง2100เศษนี่ก็ ตั้งเป้าอย่างแรงเลยว่าจะต้องพัฒนาประเทศให้เจริญทางวัตถุเศรษ ฐ, ฐกิจนี่ให้มีพรั่งพร้อมก็ฝันไปเลยนะบ้านเมืองก็จะต้องเต็มด้วยคอนกรีตแหละถนนหนทางเป็นต้นตึกราบบ้านช่องจะต้องขึ้นนะนะก็คือจะต้องให้อิฐปูนเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนั้นแม้แต่วัดต่างๆก็รังเกียจต้นไมนะ้ถอยหลังไปสักเนี่ยสากว่า ป, ปีเนี่ย วัดต่างๆนี่เราเกี่ยต้นไม้มากเพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายของความปาดเถื่อนความล้าหลังดังนั้ น, น, นตอนนั้นวัดก็จะตัดต้นไม้กันเป็นการใหญ่แล้วก็สร้างอาคารขึ้นมาบ้านเมืองก็สร้างถนนหนทางนะอาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างก็ขึ้นเป็นใหญนะ่เป็นยุคคอนกรีตขึ้นมานะวัดถึงการหนึ่งก็ตัดต้นไมนะ้สองก็คือว่าของเก่า อย่างคำพีใบาลานบางทีก็เอามาเผาทิ้งโดยเห็นว่าเป็นของเกะกะโรกลุงรังนะพะเก่าแล้วนี่ไม่สวยสดงดงามอะไรแล้วยังโรกลุงรังก็เผาทิ้งซะกัเยอะนะนี่ก็เกิดขานิยมในทางวัตถุยิ่งขึ้นนี้ทางบ้านเมืองขนาะนั้นก็จับจุดของฝรั่งผิดนึกว่าฝรั่งเนี่ยสร้างความเจริญด้วยการที่เข้าใจที่จะให้คนเนะี่ยอยากมีวัตถุฟุ่มเฟือยเสพ อยากจะมีทรพัพย์สินเงินทองทรพัพย์สมบัติมีวัตถุเยอะๆแล้วก็คิดว่านี่แหละด้วยการที่กระตุ้นเราให้คนอยากมีวัตถุเสพเยอะๆเนี่ยจะขยันหมั่นเพียรทํางานกันใหญ่ใช่ไหมฮะก็เลยทางบ้านเมืองก็บอกพระข อ, อย่ายให้สอนสันโดษ น, นายกรัฐมนตรี <S <S <S <K> <"K> ก็มีหนังสือมาถึงที่ประชุมพระสังฆาธิการตอนนั้นเป็นขนาธิการยังไม่เป็น สังขาธิการพศบภ า, านี่ยังไม่ออกพรบ2ภาราพรบคณะสงฆ์ส5จึงเป็นพระสังฆาธิการตอนก่อนนั้นเป็นพระคณาธิการมีการประชุมใหญ่ทั่วประเทศที่วัดมหาธาตุนายกรัฐมนตรีก็มีสารมาถึงที่ประชุมพูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศแล้วก็ขอร้องตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าขอร้องว่า ไม่ให้สอนหลักธรรมเร่องสนโดดหลักธรรมอื่นมีเยอะแยะในขณะ น, นี้ประเทศชาติต้องการพัฒนาเนี่ยดังนั้นหลักธรรมอย่างสนโดดนี่ก็จะทําให้คนไม่ขนขวายไม่สร้างสารรค์ไม่พัฒนาประเทศ น, นี่คือความเข้าใจผิดแกเข้าใจว่าตะวันตกเนี่ยขยันวันเพียรสร้างอารยธรรมสร้างความเจริญทางวัตถุมาได้ในการที่แต่ละคนในฝ่ายเสพอยากจะมีพั่งพร้อมใช่ไหม ของฝรั่งมันหวังเสพแต่มันระยะยาวใช่ไหมสังคมของเขาเมื่อร้อยกว่าปีมานี้สมมติว่าอย่างนั้นนะอย่างอเมริกาเนี่ยสมมติว่าเอาจับแค่ประมาณสักร้อยปีเนี่ยก็มีความขาดแคลนมากอยู่ก็หวังไปว่าอีกอนาคตข้างหน้าจะไหวหรือช้ากันแล้วแต่เนี่ยด้วยการที่เราพยายามสร้างสรร ทำงานด้วยความเหนื่อยยากอย่างนี้ก็จะทําให้สังคมของเรามีความพร้อมพร้อมจุดหมายของเขายาวใช่ไหมระยะเป็นร้อยร้อยปีหรือว่ามองยังไม่เห็นได้ซ้ําแต่เพื่อบรรลุจุดหมายระยะยาวนั้นเขาจึงต้องทนสู้เหนื่อยยากนี่ขณะปัจจุบันใช่ไหมไม่เห็นแก่การบํารุงบําเรยแต่คนไทยเรามาจับจุดหมายสั้นว่าไอ้นั้นเขาเป็นจุดหมายของสังคมเนียนะส่วนรวมใช่ไหม แต่ละคนนี่ทำเพื่อสังคมให้มีความพรั่งพร้อมแต่ของเรายุให้แต่ละคนเนี่ยอยากจะมีวัตถุให้พรั่งพร้อมมีสิ่งฟุบเฟือยใช้แต่ละคนแต่ละบ้านให้แต่ละบ้านเนี่ยอยากจะมีทีวีอยากจะมีตู้เย็นใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะไม่มีนิสัยเลยที่จะสู้งานสู้การใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จับจุดผิดก็ไปสนับสนุนตันหาชนิดที่เรียกว่า ในระยะสั้นที่สุดเลยโดยการกระตุ้นแบบนี้คนก็อยากจะได้สิ่งเสพฟุม่มเฟือยนั้นแต่เขาอยากทํางานหรือเปล่าเขาไม่อยากทํางานเขาอยากได้สิ่งเสพอยากได้สิ่งฟุม่มเฟือยแต่ว่ารัฐจะทําได้ก็คือให้การทํางานมาเป็นเงื่อนไขถ้าคุณจะได้สิ่งเสพคุณต้องทํางานใช่ไหมก็หวังว่าด้วยการสร้างเงื่อนไขคือว่า ด้วยการทำงานเป็นเงื่อนไขคุณจะได้สิ่งเสพแต่คนเขาไม่อยากทำงานเขาอยากได้สิ่งเสพอันนี้การทำงานก็กลายเป็นเหตุจำใจซึ่งเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงคนก็จำนวนมากอยากได้สิ่งเสพให้เร็วที่สุดใช่ไการทำงานนี่มันช้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทำไงก็ต้องกู้นี่ยืมสินยังไงไงให้ใหมีไว้ก่อนให้ทางานก็ใช้ตามหลังใช่ไหมเนี กู้เงินมายืมเงินมาเพื่อให้ได้สิ่งเสพก่อนมีกันให้มากแล้วก็มาอวดโก้กันอีกใช่ไหมะจะต้องมีรถเครื่องจะต้องมีพลิกอัพมาแข่งกันบ้านไหนไม่มีก็แย่อะไรอย่างี้ไปต้นนะมีโดยไม่มีความจำเป็นนีมุ่งแต่ว่าจะสนองค่านิยมมีเสพบํารุงบาเรอความสุขและเพื่ออวดโก้ค่านิยมในทางตันหามานะนั่นเองอันนี้นอกจากนั้นถ้าเป็นขนา้าราชการทําไง เพื่อจะให้มีเสพเร็วๆมัวทำงานอยู่ช้าทุจริตเลยใช่ไหมตอะนั้นก็ต้องหาทางลัดเพื่อให้ได้สิ่งเสพเร็วๆสังคมก็เริ่มปั่นป่วนต่อมาก็มีระบบไอ้ผ่อนส่งใช่ไหมผ่อนส่งนี่ก็ดีนักใช่ไหนะให้มีสิ่งเสพได้เร็วโดยที่ว่าตอนนี้ก็ยอมเป็นหนี้เป็นสินอะไรไปหรือว่าต้องมาบังคับตัวเองให้ลบาบากนีการที่จะคิด เพียรพยายามสร้างสรรคได้จิตใจเป็นนิสัยใจคอก็ไม่มีนะความไฝ่รู้สู้สิ่งยากไม่เกิดอย่างในสังคมฝรัง่งนี้ความไฝ่รู้สู้สิ่งยากและใส่สร้างสรรคเนี่ยมันมีตัวสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พูดไปแล้วนะการสร้างสรรค์ก็คืออยากทําให้มันดีมันมีจิตอันนี้อยู่หนึ่งอยากรู้ความจริงสองทาอยากทําอะไรต่ไรให้มันดีอันนี้ ของเราไม่ได้สร้างสารรค์อันนี้เลยเพราะนั้นการพัฒนามันก็เป็นไอ้วงจรที่สั้นมากคือคนอยากมีวัตถุเสพแล้วทํางานเพราะเป็นเงื่อนไขให้ได้แล้วก็หาวัตถุเสพออกทีนี้ถ้าหากวันหลีกเลี่ยงได้มันจะทุจริตง่ายเพราะมันไม่ต้องการทาอะไรให้ดีหนึ่งงานไม่มีคุณภาพถ้าทำอะไรก็ทำพอเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินได้ผลตอบแทน จะดีไม่ดีก็ไม่ได้เอาใจใส่ใช่ไหมงานไม่มีคุณภาพสองก็คือว่าถ้าได้ทางรัฐที่จะได้มีเงินมาซื้อสิ่งเสพก็เอาสังคมแบบนี้จะแย่เพราะขาดฐานอันนี้ในขณะที่ทั้งโลกกําลังมีปัญหาเรื่องความเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้สังคมไทยจะต้องเสื่อมไวกว่าสังคมฝรั่งเพราะสังคมฝรั่งได้สร้างทุนในเรื่องของนิสัยใจคอมานานพอสมควร ได้ทั้งความฝ่ายรู้สู้สิ่งยากฝ่ายรู้และฝ่ายสร้างสรรค์เขามีทุนมากอยู่อย่างวันนี้มีรองเจ้าหน้าอําเภอมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มามีญาติโยมด้วยพวกรักมคณายกนะมานิมนต์ก็เลยคุยการพูดถึงเรื่องรองเจ้าหน้าจำ อ, ำอําเภอท่านก็พูดถึงสภาพยาติเสพติดยามาที่ระบาดมากนะแล้วการปราบ รัฐก็จะให้ปราบจริงจังใช่ไหมแต่ว่าทางสำเร็จมีแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นบอกว่าตำรวจไปจับยามาได้ต้องเท่ากับหลังเบียฉันฟางงานประมาณนั้นมากหรือเกินนะพอให้เงินสองแสนปับจับได้เหมือนกันแต่ได้สองรอยเม็ด <c oughs> ว่าจับยามาได้สองร้อยเม็ด แล้วไอ้ทีเดยวนั้นทไปไหนก็เข้าตลาดต่อแต่ตำรวจได้ไปสองแสนใช่ไหมแล้วก็ไอ้เจ้าคนนั้นก็ดำเนินกิจการต่อไปได้ตัวอย่างอื่นก็ใช่ว่าจับชาวบ้านจับชาวบ้านมียามาเยอะแต่ว่าพอให้เงินมาก็จับว่าจับได้สี่เม็ดยังงี้เป็นตน้นนะฮะ อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเองก็เป็นนักผลิตเป็นผู้ผลิตซึ่งทํำให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากใช่ไหมก็ น, นี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่ไม่มีการเห็นแก่ความดีงามความฝ่ายที่จะให้สังคมนี้ดีงามไม่มีใช่ไหมมันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวต้องการเสพถ้าอย่างนี้สังคมต้งสุดแน่แนแล้วหลวงเจริญเจริญเพือท่านกบิโตกบอกขนาดนี้ในวัดก็ลำบากเพราะว่าจะมีพวกที่เข้ามาบวชติดยาม마เข้ามา แล้วเมื่อมีพระติดยามะก็เกิดไอ้ความกลัวอีกบางทีฝ่ายพระเจ้าคณะก็ยังไม่กล้าจัดการใช่ไหมแล้วอย่างตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เคยถูกลอบยิงรองเจ้าอำเภอนี่เพราะว่าพวกมีพระที่เป็นเจ้าวาดติดฝินแล้วก็โม่สมมีพวกคนอื่นมาสู้ด้วยเลยเนี่ยเมื่อไปพักเขาจากตำแหน่งเจ้าวาดเขาก็เลยโกรธเนย อันนี้ยาเสพติดก็เข้ามาก็เรื่องของความฝ่ายเสพใช่ไหมอันนี้ก็สําคัญในการที่จะปราบถ้าสังคมคนมันมีไอ้ตัวฉั้นทะความไฟดีอยู่อยากให้สังคมดีอยากแก้ปัญหาให้สําเร็จจริงๆเนี่ยมันก็แก้ปัญหาง่ายเข้าใช่ไหมแต่ในเมื่อมันเละเทะอย่างนี้แต่ละคนก็ปราถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแก้ได้ยังไงนี้สังคมฝรั่งก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกับเรามียาเสพติดแพร่ระบาดมากแต่ว่าทุนของเขายังดีกว่าเรานะ หมายความว่าคนของเขายังมีไอ้ตัวความใยที่จะให้สังคมมันดีเป็นต้นใช่ไหมเมื่อนั้นมันก็ทําการได้ความสุจริตใจกว่าตั้งใจทําจริงจังกว่าปราบปรามอย่างเอาจริงเอา จ, จังกว่าไอ้นี้มันไม่ใช่ปราบนี่มันเพียงแต่ว่าะจะไปหาเงินจากสิ่งเสพติดนั้นก็ทําไปปราบใช่ไหมมันไม่ได้คิดปราบเลยนะไปหาเงินไปหาผลประโยชน์นะไปเชื้อฉวยโอกาส จากการที่สังคมมีไอ้ปัญหานี้ขึ้นมาหาผลประโยชน์ซ้อนให้กับตนเองเพราะนั้นในแง่นี้แล้วสังคมไทยนี่จะลาบากเพราะเราขาดพื้นฐานในการสร้างคนให้มีนิสัยฝ่รู้และฝ่สร้างสรรในสังคมฝรั่งนี่ได้อันนี้เยอะความฝ่รู้ฝ่สร้างสรรการที่ฝ่สร้างสรรอยากทำให้มันดีเนี่ยมันเป็นทุนเยอะเลยที่จะพัฒนาสังคมใช่ม ว่าเราทำงานอะไรเราก็อยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีมันเรียบร้อยมันดีที่สุดหลังเราจะไปกวาดถนนถ้าเรามีไอ้ตัวความใยดีอยากให้มันดีเนี่ยเราก็ทำด้วยใจรักอยากจะให้ถนนมันสะอาดใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีอันนี้มันต้องการผลประโยชน์ตอบแทนอันเดียวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ศักดิวรธรรม ไม่ว่าไปทํางานอะไรอ่ะนะไปทํางานเล็กๆในน้อยเนี่ยยังแบ่งงานออกไปเนี่ยแม้แต่เรื่องอสมมติว่าทําทางระบายน้ําใช่ไหมไอคนที่ไปทํางานส่วนเล็กๆปีกย่อยไปเท ป, ปูนไปทําอะไรถ้ามันมีตัวความฝ่ายสร้างสารรค์อยากทําให้มันดีตัวไปเกี่ยวข้องกับอะไรอยากทําให้มันดีหมดเนี่ยมันก็ทําให้ดีที่สุดตามเต็มฝีมือของมันใช่ไหมในส่วนผลประโยชน์มันก็ว่ากันวิเคราะหเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่มีตัวนี้แหละ มันไปทําเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินเท่านั้นเองมันหวังแต่ผลตอบแทนก็คิดแต่ว่าจะได้เงินแต่ไอ้ทําเทปูนเทอะไรจะทําให้มันเรียบร้อยหรือไม่มันไม่คิดอ่ะจะมาถ้าไม่มีคนคุมได้โอกาสก็ยิ่งทําลุกลุ่มไปเลยทีนี้ก็ทําให้สังคมนี้ยิ่งลําบากก็ต้องตั้งคนคุมไอ้ตั้งคนคุมไอ้เจ้าคนคุมก็ไม่มีความใฝ่ดีอีกจะมามันก็ยิ่งแยกกันมันก็เป็นระบบที่เน่าเละไปหมดเลย ใ น, นสังคมไทยขนาด น, นี้กำลังจะเสวยผลอันนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันเละเทะไปหมดแล้วนะฉะนั้นในแง่นี้แล้วสังคมตะวันตกนี่ทุนที่สร้างมาระยะเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยดีกว่าเราเขายังมีทุนที่เข้มแข็งอยู่แต่ถึงขนาดขนาดที่มาเป็นสังคมที่หมดแรงบีบคั้น ที่จะให้ฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสารรค์แล้วก็ยังกลับเสื่อมอย่างรวดเร็วพอสมควรเวลานี้ก็เริ่มมีไอ้ความวิปริตในระบบต่างๆ่าอ่าฝรั่งมีความรักความเป็นธรรมมากเพราะแรงบีบคั้นในการเบียดเบียนกันในทางสังคมใช่ไหมสร้างมาได้อย่างดีเลยรักความเป็นธรรมก็ถือว่าฝ่ายฝ่ายดีนี่แหละเมื่อรักความเป็นธรรมมากมันก็สร้างกฎกติกาขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นหลัก ในการปฏิบัติต่อกันว่า เ, เพื่อจะรักษาความเป็นธรรมก็มีเครื่องมือคือกฎหมายเข้ามาอันี้เมื่อคนยังรักความเป็นธรรมไอ้กฎหมายก็เป็นเครื่องมือที่จะรักษาความเป็นธรรมนั้นใช่ไหมแต่พอตอนนี้สังคมอเมริกันเป็นต้นเริ่มมีความอยากได้ผลประโยชน์มากและใจที่รักความเป็นธรรมนี้ลดน้อยลงนั้นกฎหมายที่เคยเป็นเครื่องมือ ในการที่จะรักษาความเป็นธรรมก็เริ่มกลับมาเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์เพราะจิตที่มารักความเป็นธรรมหรือฝ่ายดีนี้มันหมดเท่านั้นนะและ้วไอ้ความประสงค์ของมันนี่มันเปลี่ยนตอนนี้มันเริ่มอยากได้ผลประโยชน์มากอะไรเกิดขึ้นระบบเดิมที่เคยช่วยรักษาความเป็นธรรมในสังคมก็กลับมาเป็นระบบสนอง การหาผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วบางทีว่าเวลานี้สังคมอเมริกรันมีปัญหาเช่นนักกฎหมายนักกฎหมายนี่ถือเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของอเมริกรันใช่ไหมในเมืองไทยนี่แพทย์อันดับหนึ่งแต่ในอเมริกานี่ทานายความนักกฎหมายเป็นอันดับหนึ่งใครๆก็ไปอยากเรียนรายได้ดีมากตอนหลังๆนี่ก็เรียนกันมากมายมีผู้สําเร็จในทางกฎหมายเยอะ มาในระยะ 6-7 ปีนี่นักกฎหมายกำลังถูกประนามจากสังคมมาถูกด่าถูกดูถูกอันนี้ก็สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันหนึ่งก็คือการใช้กฎหมายหาผลประโยชน์ก็มีการที่ว่าทนายความนักกฎหมายอาจจะขึ้นป้ายรับบริการทางกฎหมายฟรี Free. เป็นการมาเป็นประโยชน์แก่สังคมใช่ไหมเนะี่ยถ้ามองในแง่นหนึ่งโอ้ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนก็มาปรึกษาความการทนายความได้นะไม่เอาเงินแหมนี่มันเรื่องแสดงว่ามีน้ำใจดีและเกิดฝรั่งนี่เป็นไปได้ยากนะปกตินี่มันต้องคิดกันหนักเลยชั่วโมงหนึ่งต้องเท่าไหร่คิดค่าปรึกษาความนะนะหนักมากในเมืองฝรัง่งนเะนี่ยนี้ขึ้นปให้บริการปรึกษากฎหมายฟรี ที่ว่าฟรีนี่คือยังไงคือว่าคุณมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านมาปรึกษาได้จะได้ช่วยตั้งคดีให้นี่พอตั้งคดีก็เอาขึ้นศาลใช่ไหมก็จะไปว่าความให้บริการทั้งหมดเนี่ยไม่เอาเงินนี่ปรึกษาความว่าความไม่เอาเงินแต่ว่าถ้าชนะแบ่งคนละครึ่ง อ้าวนี่มันเป็นแรงจูงใจชาวบ้านนี่ชาวบ้านมันก็อยากจะตั้งคดีขึ้นมาสิพ่อจะได้ผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าชนะก็ได้ถ้าแพ้ไม่เสียอะไรเลยเนี่ชาวบ้านก็ชอบสิทีนี้ก็จ้องเพื่อนบ้านมีอะไรกระทบกระทั่งการพอจะตั้งคดีได้ไปหาทนายความไปเล่าให้ฟังทนายความก็ตั้งคดีขึ้นศาลว่าความให้ชนะแบ่งคนละครึง่งแพ้แล้วไปใช่ไหม คราวนี้เป็นไงสังคมไอ้ชาวบ้านก็เพ่งกันสิทนี้หาผลประโยชน์ระแวงกันอยู่ไม่เป็นสุขอย่างแม้แต่พวกอาชีพต่างๆอย่างแพทย์แพทย์ในอเมริกาขณะนี้อย่างแพทย์ไทยที่เราไปอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้แพทย์ไทยเราเดินทางกลับมูลไทยมากด้วยในบรรดาเหตุอื่นด้วยนะเหตุอื่นก็คือนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องระบบการรักษาสุขภาพ อันนี้อันหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจ้องหาช่องจากหมอตลอดเวลาพลาดนิดเดียวตั้งคดีฟ้องเลยเพื่อจะหาเงินเละมันไม่ใช่เพื่อความเป็นธรรมแล้วในดินนี้นะมันเพื่อผลเพื่อผลประโยชน์เนี้สังคมที่มันอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีไอ้ตัวความฝ่ายดีอยู่จะรักความเป็นธรรมเป็นต้นเมื่อตัวนี้มันหมดไปความต้องการผลประโยชน์มาเต็มที่ มันก็ต้องเละเทะอย่างที่ว่านีมันก็เนา่าเพราะฉะนั้นสังคมเมกันก็ต้องเสือ่อมออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งทีนี้สังคมของเราล่ะสังคมของเรานี่ขาดพื้นฐานในการสร้างความไฝ่รู้และใฝ่สร้างสารรค์อย่างที่ว่าเพราะนั้นจริงน่ากลัวอันตรายมากอันนี้เราก็จับจุดไม่ถูกด้วยโดยเข้าใจว่าสังคมตะวันตกนั้น พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นสร้างความเจริญแม้แต่วัตถุมาได้ในการที่อยากจะมีวัตถุเสรีพลังร้อมเขาใจผิดอย่างนั้นเขาต้องการเหมือนกันแต่เขาต้องการระยะยาวและต้องการสาหรับสังคมเป็นส่วนรวมซึ่งหมายถึงเป็นร้อยปีหรือหลายร้อรยปีแต่ในระหว่างนั้นก็คือการที่แต่ละคนจะต้องขยันอดทนยอมอดออมอยู่อย่างง่ายๆไม่บำรุงบำเรอไม่หาความสุขนั่นคือการอยู่อย่างสันโดษ จึงทำให้เขาสามารถพัฒนาประเทศชาติอารยธรรมมาได้แต่เราเข้าใจผิดไปจับเอาเป็นความมุ่งหมายของแต่ละคนด้วยระยะสั้นด้วยเฉพานะหน้าให้แต่ละคนนี้แต่ละครอบครัวอยากจะมีวัตถุเสพรังร้อมผลก็คือความวิปริตของสังคมทั้งหมดเลย <c oughs> การพัฒนาก็ไม่ได้สำเร็จด้วยดีด้วยนะแล้วก็มีไอ้พวกสิ่งเลวร้ายต่างๆในสังคมนี้เต็มไปหมด นั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหานี้จะลำบากแต่นี้จะมีทางและจะทันหรือเปล่านี่ก็คือปัญหาของสังคมไทยด้วยดังนั้นแต่เวลานี้ก็เริ่มเข้าสู่วิถีเดียวกันเพราะสังคมตะวันตกก็หมดยุคของแรงบีบคั้นอย่างแต่ก่อนที่จะทำให้เขามีความไฝ่รู้และสู้สิ่งยากดะนั้นในภาวะสังคมที่ฟังพร้อมเป็นนักเสพมันก็จะเข้ามาบันทอน <c oughs> สังคมของเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าฐานเก่านี่จะช่วยไปได้นานในแง่ภูมิต้านทานความเข้มแข็งที่มีมาแต่เดิมเขายังดีกว่าเรานี่ก็กลับมาสู่หลักการที่ว่าได้พูดไปแล้วเรื่องก็เป็นอันว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อเรายังไม่พัฒนาเราอยู่ด้วยสภาพพื้นฐานก็ใช้ในด้านความรู้สึกสมอง เมื่อสนองความรู้สึกมันก็เรื่องของการที่อยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจเรื่องของตัณหาตัณหาก็ทําให้ฝ่ายเสพแล้วก็เลยมุ่งหวังในการที่จะหาสิ่งเสพกันอยู่นี้ด้านนี้เป็นอันว่าได้แก่ตัณหานะฮะไฟเสพต้องการบำรุงบำรด์ปลนปลตาหูจมูกลิ้นกายใจในด้านความรู้สึกคือเวทนาหาความสุขหลีความทุกข์ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เราบอกว่า ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้แล้วต่อมาการจะการเรียนรู้นั้นก็จะพัฒนาไปสู่การที่อยากจะสร้างสารรค์อยากทาให้มันดีด้วยนี่ความอยากที่จะรู้และอยากจะทำให้มันดีเนี่ยก็ต้องมีสักให้คู่กันกับฝ่ายตันหาฝ่ายตันหาก็อยากเสพเพราะฉะนั้นอยากรู้ อยากสร้างสารรหรือฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสารรก็มีศัพท์เฉพาะให้เรียกว่าฉันทะนะอันนี้เราก็ได้คู่แลตัณหาก็ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าความอยากที่เป็นอกุศลส่วนฉันทะนี่เป็นความอยากที่เป็นกุศลนะพุทธศาสนายกย่องถือเป็นธรรมะสาคัญอย่างยิ่งเป็นมูลของความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมต่างๆด้วย ก็แปลว่าฉั้นท่านี้ได้แก่ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์คืออยากรู้และอยากให้มันดีแล้วก็อยากทำให้มันดีนั้นถ้าเรามีอันนี้อยู่เนี่ยมันจะทำให้การพัฒนานี้เป็นไปได้ชีวิตก็จะดีงามได้พูดไปแล้วว่าการใฝ่สร้างสรรค์นเนี่ยจะตามมากับความใฝ่รู้เพราะเมื่อเรียนรู้ก็จะเห็นว่าอะไรมันเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไง เมื่ออยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นก็เป็นไฟทำให้มันดีไฟสร้างสรรค์ไปแต่นี้วิธีง่ายๆในการที่ว่าทำกระตุ้นหรือว่าพัฒนาตัวฉันทะที่อยากให้มันดีแม้แต่ไม่ต้องเอาที่ความรู้ก็ได้เริ่มที่ธรรมชาติของเราเนี่ยคนเรานี่ก็มันก็มีพื้นที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่แล้ว คือด้านที่อยากเสพก็พัฒนาทำให้ขยายตัวมากทั้งดีกรีและปริมาณนี่ด้านอยากให้มันดีนี่มันก็มีทุนเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักพัฒนาก็คือว่ายังเด็กๆ เ, เนี่ยแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็อยากให้มันอยู่สภาพที่ดีใช่หเช่นบอกว่ามีมือก็อยากให้มือเนี่ยมันงามมันแข็งแรง มันอวกมันอูมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้มันผอมกระรองอะไรงี้เป็นตัวนะร่างกายของตัวเองก็อยากให้มีสุภาพแข็งแรงอะไรองนี้นะน่ะตาตาหูก็อยากให้มันดีมันเรียบร้อยหมดเนี่ยจากไอ้ตัวเนี้ยมนุษย์มีพื้นฐานนั่นเอแหละอยากให้มือของตัวเองเรียบร้อยอยากให้นิ้วทั้งห้ามันหมดจดสะอาดนะทีนี้พอขยายไปเราไปสัมพัสกับอะไรก็อยากให้มันดีหมด ไปนั่งที่ไหนก็อยากให้ที่นั้นเรียบร้อยสะอาดตาไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นดีเนี่ยขยายไปจากไอเนี่ยตัวพื้นที่มันเริ่มมาจากตัวเองด้วยทีนี้ถ้าเราพัฒนาอันนี้นะมันจะไม่ไปกระแสะเสพมันจะเบาลงมันจะมาช่วยทวงดุลก็ให้เด็กเนี่ยเริ่มจากตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่สิ่งต่างๆที่ตัวเกี่ยวข้องไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้มันดีหมด ไปใช้แก้วน้ําก็อยากให้แก้วน้ํามันสะอาดหมดจดใช่ไหมอยากให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆไปเจออะไรอยากให้มันดีหมดความรู้สึกนี้จะพัฒนามาเป็นความใยดีคืออยากให้มันดีไม่ว่าเกี่ยวข้องอะไรอยากให้มันดีเพราะอยากให้มันดีมันก็ต้องทําให้มันดีใช่ไหมอยากทําให้มันดีก็ตามมานี่แหละเป็นฉันทะเลยนี้เราคิดดูถ้าเราสร้างแม้แต่จากเด็กๆมาเป็นอย่างเนี้ย เวลาแกโตขึ้นแกนไปทํางานการอะไรเนี่ยไอตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ในทุนในตัวแล้วนะเขาจ้างมาทําอะไรกันแล้วแต่ใช่ไหมแต่ในแง่ที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องอะไรมันอยากทําให้มันดีหมดไอตัวนี้เลยเป็นทุนที่ว่าไม่ว่ามันจะไปทําอะไรมันก็ทําให้สิ่งนั้นดีหมดใช่ไหมมันยอมไม่ได้ที่จะให้สิ่งนั้นสักรวัเสร็จสักระวัตทำผ่า น, านไปเละเอะเทอะหรือไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆใช่ไหมมันทําไม่ได้ มันมีไอ้ความฝ่ายอยากให้มันดีหมดก็เป็อันว่าคนที่มีชั้นแทะตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรอยากให้สิ่งนั้นมันดีหมดก็อยากทําให้มันดีที่สุดที่จะทําได้ถ้ามีอันนี้เป็นทุนเป็นพื้นในจิตใจใช่ไหมระบบการพัฒนาเป็นไปได้ถูกไหมอันนี้เราไว้ใจได้แล้นี่ยเราจะเอาเงินมาจ้างคนไปทํางานทําการยังไงก็ตามไอ้ น, นี่ทุนฐานมันมีอยู่แล้วคนนั้นแต่ละคนมันมีอันนี้อยู่คืออยากให้มันดี มันก็ทำเขาเหมันให้มันดีที่สุดแต่เวลานี้มันไม่มีในฉันทะมันมีแต่ความฝ่ายเสพธาเดียวนะเพราะฉะนั้นจบเลยตกลงกระแสสองอันอย่างน้อยต้องให้ได้ฝ่ายฉันทะนี่มาดุลที mm hmm. นี้ถ้ามันไม่มีมาดุล น, นะมันได้ด้านเดียวเลยฝ่ายเสพเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้จะล้มละลายหมด mm hmm. เราไม่ได้หวังว่าจะต้องให้คนเนี่ยไปสู่ฝ่ายรู้ไยดีอย่างเดียวนะยอมเขา เพราะเขายังเป็นปุตุชนนี่นะให้เขาฝ่ายเสพก็พอประมาณแต่ไอเจ้าฝ่ายรู้ฝ่ายดีนี่มันมาช่วยถ่วงดุลไว้มันก็จะไม่หนักหนาเกินไปไม่เร็วซามเกินไปแล้วแล้วเขาจะมีทางพัฒนาขึ้นต่อไปเขาก็ขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงเพราะเขาจะมีความฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสารรค์ที่พัฒนายิ่งขึ้นการที่จะหาความสุขจากเสพก็น้อยลงทีนี้มันน่าสังเกตว่าในสังคมไทยเราเนี่ยนะแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธเนี่ย ไอตัวความอยากที่แยกเป็นสองประเภทเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยมันหายไปไหนแม้แต่ชาวพุทธนี่บอกว่าโอ้โอ้ความอยากไม่ได้นะผิดเนี่ยใช่ไหมนึกว่าความอยากแล้วเป็นผิดหมดเข้าใจว่าความอยากก็คือตัณหาใช่ไหมคนเดยมากจะเข้าใจงานบอกอยากไม่ได้ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วต้องทำเป็นไม่อยากได้อยากรีอะไรเนี่ยนี่ก็พลาดแล้วใช่ไหม อันนี้มันก็กลายไปว่าชาวพุทธนียเข้าใจว่าความอยากมีอย่างเดียวคือตัณหาเพราะฉะนั้นมีความอยากไม่ได้จะต้องลดต้องละต้องเลิกอย่างเดียวนอย่างน้อยก็แสดงตัวว่าเป็นคนไม่มีตัณหาไม่มีความอยากจบเลย น, นั่นก็ดวนสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทะความอยากที่เป็นกุศลนี่เป็นมูลของกุศลธรรมเราจะพัฒนาในธรรมะได้ปฏิบัติไปได้มันต้องมีเจ้าตัวความอยากฝ่ายรู้ฝ่ายดีนี่มา นะ่าคือฉันทะนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเพราะคนไทยเข้าใจเป็นว่าความอยากนี้เป็นตัณหาเป็นเรื่องอยากเสพอย่างเดียวหมดแล้วแยกไม่ออกเลยเพราะนั้นไปอยากอะไรแต่อะไรที่เป็นดีแกก็เข้าใจเป็นอยากตัณหาหมดเพราะนั้นก็ให้ดับหมดให้ละหมดอันนี้สังคมไทยเมื่อไม่ได้หลักอย่างนี้ก็พลาดนะเราก็ให้คนเนี่ย ร่ำเรียนศึกษาทําการทํางานอะไรต่างๆอยู่ในสังคมนี่โดยมีแรงกระตุ้นอะไรล่ะทีนี้ก็กลายไปว่าโอ้ไม่ได้นะถ้าหากก็จะปฏิบัติธรรมก็ต้องมาอยากใช่ไหมเมื่อไม่ต้องมาอยากก็หมายความคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องไปอีกพวกหนึ่งอย่ามาอยู่ทางโลกไม่ได้เดี๋ยวนี่แยกโลกแยกธรรมแล้วนะ คล้ายๆว่าพวกที่ปฏิบัติธรรมนี่ต้องไปมีชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่ามายุ่งกับชาวบ้านนะเป็นนี่เป็นเรื่องทางโลกทางโลกก็เลยไม่เอาด้วยล่ะทีนี้ทางโลกก็เลยไม่มีหลักก็มาเราให้คนนี่อยากจะเจริญก้าวหน้านอยากจะศึกษาเล่าเรียนก็สมัยเมื่อสัก 40-50 หปีก่อนก็บอกว่าเอา ตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรเรียนเข้าไปนัดต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมนี่เอาเขาแล้ว น, นี่พออยากให้เรียนเพื่อเป็นเจ้าคนในคนนี่สนองระบบราชการตอนนั้นก็กระตุ้นเพราะว่าคนทางราชการนี่อยากจะได้คนเข้ามาไป็นกำลังในราชการมากต้องการพัฒนาประเทศชาติอันนี้จะเป็นข้าราชการก็ต้องเรียนศึกษารัาชาบ้านเขาไม่มีแรงจูงใจจะให้เรียนทําไง ก็ต้องให้เห็นว่าโอ้ได้เป็นข้าวรายการมันใหญ่โตใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเออเนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้นะเป็นเจ้านายก็ต้องมาเรียนสิใช่ไหมก็เลยกลายไปว่าความอยากใหญ่อยากโตเป็นเจ้าคนนายคนเนี้ยมาเป็นแรงจูงใจให้คนมาเรียนนะความอยากใหญ่อยากโตนี่ทางพระท่านเรียวกว่ามานะนะมานะเป็นกิเลสนะเะว่าอยากใหญ่อยากโตอยากเด่น อันนี้เราเอามานะคือความอยากใหญ่โตนี่มาเป็นตัวกระตุ้นคนให้เรียนหนังสือจนกระทั่งคําว่ามานะเนี่ยกลายเป็นดีไปเลยแล้วก็มีความหมายว่าเพียรพยายาม mm. เพราะฉะนั้นในภาษาไทยนี่มานะได้กลายเป็นว่าเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่าเพียรพยายามไปแล้วมันเข้ามาศึกษาเล่าเรียนด้วยกิเลสคือมานะกระตุ้นให้อยากใหญ่อยา ก, ยากโตอยากเป็นเจ้าคนในคนนะ จนกระทั่งมานะต่อมาก็มีความหมายเป็นความเพียรพยายามใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋วนี้พูดว่ามานะภาคเพียรเข้าใจว่ามานะคือเพียรที่จริงคืออามานะอยากใหญ่มากระตุ้นให้เพียรก็ใช้กิเลสมากระตุ้นแล้วต่อมาตอนนี้ระบบราชการไม่ค่อยมีความสําคัญแล้วระบบผลประโยชน์ธุรกิจสําคัญกว่าใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ใช่เรียน ศึกษาเพราะอยากหญ่อยากโตเป็นเจ้าคนในคนลอยากมีเงินมีทองมากๆมีรายได้ดีๆมากกว่าก็ตอนนี้ก็ตันหาแหละนะแล้วก็มาเข้ายุคพัฒนาที่กระตุ้นอยากให้แต่ละคนมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุฟุ่มเฟือยสิ่งของใช้ดีๆใช้ด้วยนี่ก็ตันหาก็เข้ามาเด่นเลยในยุคนี้นะก็สังคมไทยก็ในช่วงร้อยปีนี้ก็ใช้ตันหากรมนะันแล้วก็เรื่องของ ฉันท่าไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็นึกว่าคนที่ไม่อยากได้อยากดีก็เข้าวัดไปอย่ามายุ่งกับข้าบ้านนะนะแล้วก็เป็นอันว่าถ้าหากว่าเป็นทางธรรมมันก็อยากไม่ได้เป็นตัณหาผิดต้องดับต้งละหมดนี่คือความคลาดเคลื่อนต่างๆที่เสียหมดเลยนะอันนี้เราก็จะมีคนที่อยากจะเข้าเรียนหนังสือโดยต้องดูว่า อาชีพไหนจะให้รายได้ดีที่สุดใช่ไหมเรียนไปโดยมุ่งหวังได้รายได้ตอบแทนเมื่อจบการเรียนแล้วแต่ไม่ได้เรียนเพราะชอบวิชาการนั้นอันนี้ก็เป็นระบบผลประโยชน์เขามองไม่เห็นว่าไอ้ตัว แรงจูงใจที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่แท้มาอยู่ที่ไหนเช่นว่าเมื่อจะเรียนอาชีพไหนได้รายได้ที่สุดเนี่ยตอนระยะที่แล้วมาเนี่อาชีพแพทย์ก็เด่นมากถูกไหมเด่นที่สุดเลยในสังคมไทยเพราะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ดีที่สุดคนก็แย่งกันเข้ามาเรียนโดยไม่คํานึงว่ า, าตัวเองเนี่ยชอบการเป็นแพทย์หรือเปล่าอยากรักษาคนหรือเปล่าอยากให้คนมีสุขภาพดีหรือเปล่า ทีนี้ตอนเนี้ที่ว่าเราต้องจับจุดให้ได้ว่าแล้วไอ้ตัวฉั้นทะเนี่ยคืออะไรอ้าวเราเจอแล้วนะอยากได้ไหลายได้มากๆผลประโยชน์ตอบแทนของตัวก็ตัณหาใช่ไหมทีนี้ฉันทะเป็นตัวที่แท้ที่จะสร้างสรรค์คืออะไรฉั้นทะมันก็ความอยากให้มันดีอยากได้ผลที่ตรงกับเหตุของการกระทํานั้น <S <S เมื่อเห็นว่าการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ดี วิชาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าวิชาแพทย์นั้นจะช่วยให้คนหายโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนมีสุขภาพดีถูกไม้มนี่คือชอบวิชาแพทย์โดยฉันทะคืออยากให้มันดีคืออยากให้คนหายโรคภายภัยอย่างนี้เรียกว่าฉันทะทีนี้ถ้าใครมาเรียนวิชาแพทย์เพราะว่าตนเอง อยากจะช่วยรักษาคนอยากให้คนหายเจ็บหายป่วยอยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดีเป็นต้นอยากให้สังคมไทยนี้มีภาวะของสุขภาพที่ดีนะอย่างนี้เรียกว่ามีชันทะใช่ไหมนะอันนี้ในสังคมไทยนี้อันนี้แทบจะหายไปเลยไม่ว่าจะเรียนอะไรก็มุ่งแต่ไรายได้ เพราะฉะนั้นจะมีคนเพียงน้อยคนที่มันติดมาโดยปัจจัยอย่างอื่นที่ว่าสังคมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเท่าไรแต่ว่ามันมีมาติดตัวที่มีบ้างถ้าไม่มีคนประเภทนี้เลยสังคมไปไม่รอดหรอกใช่ไสังคมที่มีชันทะมีอยู่แม้เขามาเรียนแพทย์เนี่ยเขาก็มีใจที่รักเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพดีนี่ตัวฉันทะนี่สิชันทะต่างหากที่จะทาให้สังคมเนี่ยมันพัฒนาไปได้ในมีสันติสุขได้ใช่ไ แต่นี้ในเมื่อส่วนใหญ่มันถูกครอบงได้วยตันหาและมานะมันก็ต้องเสื่อ ม, มทีนี้เวลานี้กระแสของตันหามันยิ่งแรงใหญ่กระแสฉันทานี่อ่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็ในการทำงานทั่วไปคนก็จะไม่ใส่ใจเรื่องตัวงานที่แท้ว่ามันจะดีหรือไม่แต่ว่ามองที่ผลประโยชน์ แล้วคนที่ไปเรียนไปศึกษาก็มองแต่ว่าผลตอบแทนไรายได้ผลประโยชน์ข้างหน้าไม่ได้นึกถึงไอ้ตัวสิ่งที่ตัวกระทำแท้ๆว่าไอ้ที่จริงสิ่งที่ตัวทำนั้นมันเพื่อผลอะไรแท้ๆที่ตรงตามธรรมชาติของมันนั้นตอนนี้เราก็จะมาแยกว่าความแตกต่างในการต้องการผลระหว่างฉันทะกับตันหาตันหาจะต้องการสิ่งเสพ ไอ้สิ่งเสพนี่คือการได้มานะมันจะอยากได้อยากเอามันไม่ไปเกี่ยวกับการทำเหตุนะมันไม่ต้องการทำเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องการแต่จะได้สิ่งเสพมาเลยถ้าสำเร็จรูปยิ่งดีใช่ไหมสิ่งเสพสาเร็จรูปมาก็ปลนเปลืตัวเองมันอยากได้อยากเอานะมันไม่ได้อยากทำแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า คนที่ต้องการให้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันดีเนี่ยมันต้องอยากรู้และอยากทำเหตุที่จะให้มันดีใช่ไหมดันั้นพวกนั้นจึงไปเกี่ยวข้องกับการกระทำเพราะนั้นพวกตันหานี่อยากได้อยากเอาเพราะมันต้องการเสพแต่ว่าพวกฉันท่านี่จะมีการอยากทำ ทีนี้อยากทําก็คือทําเหตุเพื่อให้เกิดผลนั้นที่ต้องการนะเช่นว่าเขาต้องการความสะอาดความสะอาดนี่เป็นสิ่งดีใช่ไหมนี่คือฉั้นทะต้องการฉันทะอยากให้สะอาดการกวาดเป็นเหตุให้สะอาดเขาจะอยากทําการกวาดซึ่งเป็นเหตุของความสะอาดนะั้นเพราะนั้นคนที่มีฉันทะอยากสะอาด ก็จะเต็มใจกวาดมันแล้วจะมีความสุขในการกวาดด้วยเชื่อไหมนะคนอยากสะอาดจะกวาดจะเช็ดเองเลยแล้วทำไปจนกว่ามันจะสะอาดถ้าไม่สะอาดไม่ยอมหยุดถูกไหมนี่คือตรงนี่เหตุผลที่ตรงกันความอยากแบบนี้เป็นฉันทะอยากได้ผลที่ดีงามคือความสะอาดแล้วก็ทำให้ต้องําเหตุของมันเมื่อเขาทำเหตุนั้น เขารู้ว่าเป็นไปเพื่อผลที่ดีที่ต้องการเขามีความสุขในการกระทำและเขาเต็มใจทำทีนีตน้ตันหามันอยากได้สิ่งเสพแต่ว่าสิ่งเสพนั้นไม่มายังไม่มีทำไงอาจจะต้องเอาการกระทำมาเป็นเงื่อนไขอ้าวเช่นกรณีที่กวาดบ้านเออ เด็กอยากได้ขนมใช่ไหมเด็กอยากได้ขนมกินคืออยากเสพใช่ไมฮะแต่ว่าขนมมันยังไม่มีผู้ใหญ่ก็เอามาเป็นเงื่อนไขเพราะอยากจะให้เด็กนี่ได้กวาดบ้านแต่เด็กไม่ได้ต้องการความสะอาดถูกไมเด็กต้องการขนมมาเสพนี่ผู้ใหญ่ก็เลยบอกกับเด็กว่านี่นะถ้ากวาดบ้านเนี่ยจะให้ขนมกินก็เอาไอ้ความอยาก ในวัตถุเสพมาเป็นเงื่อนไขให้เด็กต้องทําการกวาดใช่ไหมการกระทํานี้ไม่ตรงกับผลที่เด็กต้องการถูกไหมการกวาดเป็นเหตุแต่ว่าไอ้ผลของการกวาดที่แท้คืออะไรผลที่แท้ตามธรรมชาติความสะอาดใช่ไหมการกวาดเป็นเหตุความสะอาดเป็นผลแต่เด็กไม่ได้ต้องการความสะอาดเด็กทําการกวาด ไปต้องการสิ่งเสพคือขนมใช่ไหมผลเหตุมันไม่ได้ตรงกันเลยอันนั้นการได้ผลคือสิ่งเสพนี้เป็นเพียงเงื่อนไขให้เด็กต้องทําเมื่อเป็นเงื่อนไขเด็กทําในเด็กจําใจนะใช่ไหมเด็กไม่ได้เต็มใจกวาดไม่มีความสุขในการกวาดรอแต่ว่าเมื่อไรจะได้ขนมสักทีใช่ไหมจำใจกวาดตลอดเวลาการกวาดเป็นความทุกข์ แล้วจำใจกว่าเมื่อจำใจไม่ตั้งใจกว่ามันก็หาทางเลี่ยงมันก็ไม่ได้ตั้งใจให้สะอาดนี่ถ้ามันไม่มีคนคุมอยู่มันก็ไม่ไม่เอาเรื่องแหละใช่ไหมถ้ามันได้เงินได้ขนมเลยมันไม่เอาเราไม่กวาดทีนี้ถ้าต้องกวาดขึ้นมามันก็จำใจสักแตะวักกว่าดกวาดไม่สะอาดเราก็ต้องคอยคุมเป็นอยู่แล้วหนึ่งเด็กเองก็ไม่มีความสุขในการกวาดมีความทุกข์ด้วยสองผลที่จะได้แก่สังคมการกวาดนั้นก็ไม่เรียบร้อยไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือตัวอย่างจุดแยกว่าจะใช้ตันหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนทำงานก็จะได้แบบให้รางวาัลเด็กให้ขนมแล้วให้เด็กต้องกวาดบ้านแล้วอย่างนี้ถ้าเมื่อไม่มีรางวาัลเด็กจะกวาดไหมไม่กวาดจบเลยอย่างนี้สังคมจะอยู่ได้ยังไงใช่สังคมไม่มีคนที่ต้องการทำให้มันดี น, นั่นก็ต้องมีแต่รางวัลรอดกันเรื่อยไปทีนี้ฝ่ายเด็กที่อยากสะอาดฝ่ายดีมีฉันทะนะเด็กคนนี้ไม่ต้องคุมใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องมีคนอื่นอยู่เด็กคนนี้มันเห็นไม่สะอาดมันทนไม่ได้มันจะไปคว้าไม้กวาดไปคว้าพ้าขีลิ้วมาเช็ดมาถูมากวาดเองแล้วมันจะทจําจนกระทั่งสะอาดแหละใช่ไหมจกนกระทั่พอใจกับตัวเอง นี่คือจุดแยกระหว่างตันหากับฉันทะเป็นนั้นว่าถ้าเด็กกวาดบ้านเพราะต้องการขนมหรือรางวัลตอบแทนนั่นคือทำด้วยตัญหาคือเป็นระบบเงื่อนไขซึ่งจะมีผลร้ายทั้งตัวเองไม่มีความสุขทำด้จํจำใจเป็นทุกข์และผลแก่สังคมก็จะไม่ได้ดีด้วยแล้วไม่มีหลักประกันต่อไปด้วยว่าเขาจะทาการนี้แล้วสองก็คือ ความอยากที่เรียกว่าฉันทะคือายดีต้องการความสะอาดเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งจะเป็นผลที่ตรงกับเหตุที่เขาต้องทําก็คือการกวาดซึ่งจะได้ผลก็คือทําให้เขาชีวิตเขาเองเขาก็มีความสุขในการกระทํานั้นในการทํางานคือกวาดแล้วก็จะทําให้ได้ผลแก่สังคมที่ทําด้วยความตั้งใจและผลงานออกมาเต็มที่เลยนีอาจจะทําได้ดีกว่าคนที่ไปเรียกร้องเขาอีกใช่ไหม ไอคนที่ไปเรียกร้องอยากจะได้แค่นี้แหมเจ้านี่ทำจะดีกว่านั้นอีกเพราะใจมันชอบมันอยากอันนี้สังคมของเรานี่ที่แท้นั้นก็ต้องการไอตัวผลตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งจะต้องการฉันทะแต่เราไม่รู้จักฉันทะอันนั้นก็หนึ่งในแง่ปัญญาความเข้าใจก็ไม่มีหลักการที่จะมาแก้ปัญหาสองและยังแถมปฏิบัติการผิดไปจะตุ้นตันหาเขาอีก ใชก็ยิ่งแย่ใหญ่อพราะนั้นอย่างผมยกตัวอย่างบ่อยๆก็เช่อนอย่างเนี้ยอย่างสังคมของเราเนี่ยก็สร้างอารยธรรมขึ้นมาเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีความสามารถเราก็จัดระบบสังคมแต่การที่เราจัดระบบสังคมนี่เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่แท้เนี่ก็เพื่อให้กิจการชีวิตสังคมเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมอันนี้ว่า การจัดระบบสังคมของมนุษย์นั่นก็มาเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้กิจการต่างๆที่มันน่าจะดีแล้วมันได้ผลจริงๆอย่างเราจัดระบบจ้างงานขึ้นมาแบ่งงานกันทําก็เพราะว่าเราต้องการให้มีคนที่ทํางานนั้นจริงๆแต่เราต้องการผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะเราจึงมาจัดระบบสังคมขึ้นมาเพื่อจะให้มีคนทํางานแล้วก็แบ่งงานมีเงินเดือนแล้วก็ตั้งระบบงานขึ้นมาอา้าวให้มีเงินเดือนกินนะ นะแล้วก็ให้คุณทำงานนี้นะนะทีนี้ในภาวะอย่างนี้มันก็มีเรื่องซ้อนเข้ามาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราจ้างคนมาทำงานเนี่ยการจ้างคนให้ทำงานแล้วได้เงินเดือนการทำงานนั้นจะเป็นเหตุแล้วเงินเดือนที่ได้เป็นผลถูกไหมเราจะเห็นชัดว่าเกิดเป็นกฎขึ้นมาเลย เป็นกฎก็คือว่าการทํางานเป็นเหตุการได้เงินเดือนเป็นผลยกตัวอย่างเช่นว่าจ้างคนทําสวนใช่ไหมยกตัวอย่างนี้บ่อยที่สุดจ้างคนทําสวนการทําสวนเป็นเหตุเงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลถูกไหมอันนี้เป็นกฎแล้วนะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนกฎนี้เป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเป็นความจริงนะจริงไม่จริง จริงทำไมจะไม่จริงล่ะก็ทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลแล้วก็ทำสวนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือนจริงๆอ่ะแต่จริงแท้ไหมจริงแน่ไหมไม่จริงแน่เพราะว่าการทำสวนนั้นเงินมันไม่ได้เกิดขึ้นมามันต้องมีคนมาให้แต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดเป็นกฎ ข, ขึ้นมาได้สําเร็จก็คือการยอมรับร่วมกันการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันอันนี้ภาษาพระเรียกว่าสมมติ สมมติมาจากคาว่าสังบวกมติมติแปลว่าการยอมรับการรู้หรือข้อตกลงแล้วก็สั่งร่วมกันเพราะฉะนั้นสมมติแปล ว, ว่าการยอมรับร่วมกันหรือการรู้ร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันด้วยสมมติคือการยอมรับร่วมกันนี่แหละกฎมนุษย์จึงมีขึ้นได้และเป็นอยู่ได้ใช่ไหมดัง น, นั้นการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะ ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีสมมติคือการยอมรับนี่กฎนี่หายไปใช้เปล่าจริงไหมกฎนี้ไม่มีหรอกถ้าหากว่าไม่มีการยอมรับเอาคุณมาทําสวนหนึ่งเดือนแล้วฉันไม่ยอมรับฝ่ายนายจ้างไม่ยอมรับด้วยเงินเดือนไม่มาถูกไหมตกลงว่ากฎของมนุษย์เนี่ยที่สร้างขึ้นในสังคมเนี่ยเป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเพียงกฎสมมตินะคือตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับรวมกันไม่ได้มีจริงในธรรมชาติ นี่มนุษย์จำนวนมากปัจจุบันได้หลอกตัวเองนึกว่ากฎนี้เป็นความจริงถ้าเขาไม่หลอกตัวเองเขาจะต้องถามต่อว่าแล้วที่จริงที่เราตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาซึ่งมันไม่มีความจริงแท้ในธรรมชาติมันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งขึ้นมาเพราะเราต้องการอะไรอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ต้องการอะไรเราต้องการผลที่เป็นความจริงแท้ ผลที่เป็นความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติไม่อยู่ซ้อนอยู่เบื้องหลังกฎมนุษย์นี้อะไรผลที่เราต้องการแท้จริงจากการทาสวนเป็นเหตุนี้คืออะไรผลตามกฎธรรมชาติของการทำสวนคืออะไรการทำสวนเป็นเหตุอา้าวอะไรเป็นผล น, นะฮะต้นไม้เจริญงอก ง, งามถูกไมฮะไม่ว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอก ง, งามเป็นผลถูกไหมอันนี้เป็นกฎธรรมชาติไม่มีทางขัดขันได้นี่ทีนี้เพราะเราต้องการผลเนี่ยสังคมต้องการผลอันนี้คือต้องการให้สวนเจริญงอก ง, งามที่เป็นผลตามกฎธรรมชาติเราจะต้องมีการทำสวนเป็นเหตุแต่ทำไงจะให้มีการทำสวนกันอย่างจริงจังมนุษย์ฉลาดก็ตั้งระบบในสังคมขึ้นมาก็ตั้งกฎมนุษย์เข้าไปว่า เออคุณมาตั้งใจทําสวนนี่นะคุณไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องการทำอาหากินและมีเงินใช้ฉันให้เงินเดือนคุณ 5,000 บาทแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงคุณตั้งใจทําไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่า2กฎนี้มันสอดคล้องกันดีก็หนุนกันใช่ไหมกฎมนุษย์ก็คือการทําสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเนี่ยจะมาสนับสนุนช่วยให้กฎธรรมชาติที่ว่าการทําสวนเป็นเหตุต้นไม้จะริญงอก ง, งามเป็นผลเนี่ย ได้สําเร็จผลอย่างดีใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนทําสวนนั้นเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นอยู่เขาก็ตั้งใจทําแต่ว่าทีนี้คนทําสวนนี่ก็มีในใจของตัวเองว่าจะมีตันหาหรือฉันทาเอารสินี้ถ้าคนทําสวนมีแต่ตันหาก็ต้องการเงินเดือน 5,000 ันบาทอย่างเดียวถูกไหมถ้าคนทําสวนต้องการเงินเดือนห้าพบาทอย่างเดียวต้องการผลประโยชน์ตามกฎมนุษย์แกไม่ต้องการทําสวนใช่ไหม การทําสวนก็จะเป็นการฝืนใจแก่เพราะฉะนั้นแกะจะทําสวนด้วยความทุกข์สองแก่พยายามเลี่ยงนั่นะไม่เต็มใจทําเลี่ยงงานหลบงานทํำน้อยๆ อ, อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยผลก็คือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะฮหนึ่งใจตัวเองก็ไม่มีความสุขจริงสองก็คือผลแก่สังคมก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าคนทําสวนนี้ยังอยู่กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติแกก็จะมีชันทะ คันท้าก็คืออยากให้ต้นไม้งอกงามใชม่ทีนี้ถ้าคนสวนนี่รักต้นไม้อยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนี่ตรงกันเมื่อแกอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามแกก็อยากทำสวนแน่นอนใช่ไหมแกก็อยากจะไปขุดดินปลูกต้นไม้อยากจะไปพรวนดินอยากจะรดน้ำคอยดูว่าเออมันงามไหมมันเฉาไหมใบมันเขียวไหมมันผลิแตกดี ไม่อะไรมีผลดกดไหมแกจะเอาใจใส่ใช่ไหมแล้วแกก็จะตั้งใจทําการที่อยากได้ผลที่ตรงตามกฎธรรมชาติที่ตรงตามเหตุของกฎธรรมชาตินั่นเรียกว่าฉันทะคืออยากให้ต้นไม้เจริญงอก ง, งามอยากให้มันดี น, นั่นนี่นั่นคือฉันทะถ้ามีตัวฉันทะปั๊บก็แปลว่าคนทําสวนนี่เราได้ความมั่นใจว่าแกจะทํางานได้ดี แล้วกดมนุษย์คือได้เงินเดือนห้าันบาทก็จะมาเป็นตัวสนับสนุนช่วยแต่ถ้าฉันทะาไม่มีมีแต่ตันหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ยุ่งเลยใช่ไหมนะนนี้ก็ไม่ตั้งใจทำงานนอกจากตัวเองใจก็ไม่สบายในการทำงานมีความทุกข์แล้วก็ผลแก่สังคมก็ไม่ได้นั้นต่อไปก็อะไรต่ออะไรก็เรยรวนหมดนะก็ต้องจ้างคนคุมให้หนักเข้าไปใช่ไม แต่คนคุมเองก็ไม่มีชันทะอีกก็ไปกันใหญ่เลยดังนั้นะตกลงที่เราวางกฎมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนเหตุผลตามกฎธรรมชาติมนุษย์ฉลาดอย่างนี้แต่นี้มนุษย์กลับมาแปลกแยกจากธรรมชาติซะเองก็เลยมีแต่ตันหาไม่มีชันทะพอมนุษย์เอาแต่ตันหาปับ๊บก็ไปอันว่าอารยธรรมเริ่มเสือ่อมมนุษย์ที่สร้างสารรคอารยธรรมมาแม้แต่อารยธรรมที่ว่าผิดเนี่ยสร้างมาได้ด้วยชันทะเท่านั้นนะ ด้วยความฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ดัง น, นั้นสังคมตะวันตกนี่เราต้องยอมให้เหมือนกันแม้เขาจะพลาดในแง่จุดหมายระยะยาวและแ ร, แรงจูงใจและทิฐิพื้นฐานผิดหมดแต่ในแง่ของระหว่างเนี้เขาได้สร้างไอ้พื้นเพศ ส, สมทุนในทางแม้แต่นิสัยใจคอที่ดีพอสมควรอ้อาวก็ไปอ่านว่านี่ก็คือเรื่องของฉันทาและตัณหานะฮะ คิดว่าคงแยกได้ชัดท่านจะกระพันชัดไหมครับชัดนะฮะแปลว่าถ้าแม้แต่ทำสวนเนี่ยเราก็ต้องการให้คนมีฉันทะแล้วฉันทะนั้นจะเป็นฐานที่มั่นคงที่สุดเลยแล้วกฎมนุษย์ก็จะมาเป็นตัวหนุนสังคมมนุษย์ที่ฉลาดมีอริยธรรมนั้นเก่งในการวางระบบและสร้างกฎมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าต้องมีปัญญาที่จะเข้าถึงตัวสาระที่แท้คือว่าที่แท้ที่ระวางกฎมนุษย์ เป็นอริยธรรมนี้ก็เพื่อเป็นหนุนในความจริงความดีงามที่ต้องการนั้นใช่ไถ้ากฎมนุษย์คือการทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือนห้บาทเป็นผลเนี่ยไปช่วยหนุนฉันทะเข้าใช่หให้ฉันทะนี่มันทำงานได้ผลเนี่ยมันดีแน่ๆเลยแต่เวลานี้มันขาดตอนมันมันเหลือแต่ตอนตันหาอย่างเดียวใช่หมเหลือแต่กฎมนุษย์ให้กฎธรรมชาติมันไม่เอาอันนั้นก็หมดเลยพังหมดเลย นะเรียนแพทย์มาไม่คิดไม่มีความตั้งใจดีต่อคนไข้ไม่คิดจะรักษาคนคาไข้ให้หายใช่ไหมเอาแต่ผลประโยชน์แล้วทีนี้ชีวิตเขาจะเป็นไงจะตายยังไงช่างมันใช่ไหมแต่เรายังมีแพทย์ที่ดีเยอะอยู่แต่ต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะถ้าตั้หามาครอบงำสังคมยิ่งขึ้นเนี่ยไอ้ฉันทามันจะหมดลงไปทุกทีทุกทีอันนี้ก็กลับมาหาหลักฉันท่านี้จึงเป็นสําคัญมาก นะต้องระวังอย่าไปตัดมาให้คนอยากต้องแยกว่าอยากที่ผิดคืออยากได้ตัญหาและอยากที่ถูกเป็นกุศลคืออยากได้ฉันทะแล้วก็บอกว่าอยากได้ฉันทะคืออยากรู้อยากเข้าถึงความจริงอย่างหนึ่งเรียกว่าายรู้และอยากให้มันดีอยากทำให้มันดีเรียกว่าายสร้างสารอันหนึ่งซึ่งด้านนี้ที่เราต้องการที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามและสร้างสังคมที่มีสันติสุขขึ้นมาได้ อันนี้พระเจา้าเจ้าก็ตรัสบ ว, ว่าฉันทะความอยากรู้อยากดีใยรู้ใยสร้างสรรนี้แหละเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามถ้าตัวนี้เริ่มมาเมื่อไหร่ก็หวังได้ว่าคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีงามก้าวหน้าจเจริญไปแล้วก็จะพัฒนาได้นะมันเป็นแรงอยู่ข้างหลังเลยพอมีตัวนี้นะมันอยากให้มันดีนี่มันโอ้มันทาเต็มที่เลยเชื่อไหมนะ นั้นมันไปเป็นตัวแรกของอิทธิบาทสี่เลยรู้จักอิธิบาทสี่ไหฮะอธิบาทสี่ตัวแรกเลยฉันทะมีความอยากดีอยากให้มันดีนี่แหละมามันแรงขึ้นทันทีเลยมันจะทําให้มันดีให้ได้นะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่มีฉันทะนี่ไปเกี่ยวข้องอะไรมันอยากให้มันดีหมดเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยคนอื่นไม่ต้องไปคอยจำจีจําชัยแหละอะไรแต่อะไรมันเป็นไปมันดําเนินไปด้วยตัวเขาแหละ พระนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแสงเงินแสงทองมันขึ้นไงใ่ไเพราะเพราะว่ามันไปได้เองเลยนี่มันไม่ต้องรอคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเมื่ออาทิตย์จะอุทัยนั้นแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใดเมื่อจะมีชีวิตที่ดีงามคือดําเนินตามมักมีองค์แป้นั้นฉันทะก็ขึ้นมาก่อนก็มีฉั้นทะความไฟดีอยากให้มันดีปับ๊บเริ่มได้เลยตอ น, นิดเดินหน้าแล้วนะ อันนี้วันนี้ก็คิดว่าพูดมาพอสมควรแล้วก็ขยายไปเรื่องของชีวิตและก็อารยธรรมเรื่องของสังคมมนุษย์นะทางตะวันตกตะวันออกเขาว่ากันไปเนะอ้อแต่แทรกอีกนิดหนึ่งก็พูดไปด้วยก็ดีก็คือว่าในบางสังคมนี่พูดกลับไปที่แรงบีบคั้นที่อย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งมีแรงบีบคั้นใช่ไหมทำให้เขาดินน้นหล่น โดยไม่รู้ตัวก็เลยทําให้เขาสร้างภูมิสร้างสะสมนิสัยใจคอที่ดีมาได้ความฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรร น, นี่นะแต่ทีนี้ว่าบางสังคมมีแรงบีบคั้นธรรมชาติไม่เอื้อมหนุย่ยแต่ทําไมไม่พัฒนาถ้ามันไปหวังพึ่งอะไรภายนอกได้จบเหมือนกันนะฮะอันนั้นสังคมที่ไปหวังพึ่งอํานาจโดนบรรดาลอย่างสังคมอินเดีย เมื่อหวังพึ่งเทพเจ้าจะรอบูชายันให้เทพเจ้าช่วยก็จบเหมือนกันนะท่นี้มันก็ไม่ต้องดิ้นหลนแล้วสิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีแรงบีบคั้นแล้วมนุษย์จะดิ้นเสมอไปถ้ามันแรงบีบคั้นแล้วไม่มีใครช่วยมันตายแน่มันเอาใช่ไหมมันดิ้นแต่ถ้ามันเกิดหวังว่าจะมีคนช่วยขึ้นมาแล้วท่นี้มันไม่เอาแหละมันรอการช่วยแล้วทีนี้มันก็ไม่ไปเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้น ต้องมีตัวเงื่อนไขามาอีกนะเพราะฉะนั้นฝรั่งคริสก็ต้องสอนว่าพระเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองถูกไหมเพราะถ้าใครอูบคืนหวังไปเพึ่งพระเจ้าก็ไม่เอาอยู่เหมือนกันใช่ไหมนั่นก็เลยต้องสอนพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองหรืออย่างเคยเล่าเรื่องยิวยิวแกก็สัญญาระยะยาวอย่างฝรั่งเหมือนกันนะแกช่วยตัวเองไปก่อนนะดิ้นรนไปในทะเลทรายก็สู้ไปเหะ โน่นแผดดินยังสัญญาโน่นอีกกี่พันปีไม่รู้แกจะได้ระหว่างนี้ก็ดินเองนะเอย่างนี้มันก็หวังพึ่งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็ดินดังนะนั้นถ้าเกิดไปหวังพึ่งได้อำนาจจะดนบรรดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเดี๋ยวหยุดแล้วนอนแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งก็ตัวกล่อมถ้ามีอะไรมากล่อมให้สบายใจนะหลบทุกข์หลบปัญหาไปได้ก็ไม่เอาเหมือนกันไอ้ตัวกล่อมนี่อะไรล่ะนะี เอ า, เ อ, า, เ อ, าอย่าเพิ่งเอาสมาธิมันลึกซึ้งยาเสพติดใช่อยาเสพติดหรือแม้แต่สิ่งบันเทิงสิ่งบันเทิงต่างๆใช่ไหมทำให้คนลุ่มหลงเพลิดเพลินไปได้ลืมความทุกข์ไปได้มันสนุกเฉพาะหน้ามันก็อยู่เหมือนกันไม่ไปเหมือนกันนะแล้ะจนกระทั่งอยากประนีก็สมาธิถ้าใช้เป็นตัวกล่อมใช้ไม่เป็นใช้ผิดแทนที่จะมาเป็นตัวหนุนในใจสิกขากลับมาเป็นตัวกล่อมเพลินอีก มีทุกข์มีอะไรก็มานั่งสมาธิหลบเป็นฤาษีโน่นเข้าป่านะฤาษีทีพไพใช่ไหมเป็นเล่นชานกีฬาอยู่กล่อมได้สบายกันหยุดอีกเหมือนกันไปไม่รอดอีกอั น, นั้นหลักการพื้นฐานก็คือมนุษย์ปุตตชนนั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดินหลวนคนขวายอันนี้เป็นหลักทัก่วไปแต่ถ้าหวังพึ่งอะไรได้ก็ไปอ่านว่า หยุดเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีอะไรมากล่อมก็อาจจะหยุดอีกใช่มเพราะนั้นจึงต้องมองหลายแง่นะเพราะนั้นสังคมต่างๆก็จึงมีความแตกต่างกันอย่างที่ว่ามาก็วิเคราะห์สังคมไทยเอาเองก็แล้วกันว่าเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมในแง่ทุกบีบคั้นภายคุกคามเราน้อยเสร็จแล้วเรามีอะไร เรามีรัฐที่หวังพึ่งเข้ามาอีกมาช่วยอีกนะแล้วยังมีสิ่งกลอมเข้ามาอีกนะอา่าก็เลยไม่ค่อยจะดิ้หลนขนขวายและก็จะอ่อนแอ ด, ด้วยอ่ามีอะไรสงสัยัหยครับยุคนัานนะครับสมคมไทยทุกนี้ทั้งหัวและหางเลทเท น, น, ต, นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐบาลข้าราชการแพทย์ครูตำรวจสืมชนพระาชาบ้านโงเรียนสวชนเด็ก ต่อเป็นท่าของสังคมวัฒถูกแล้วจะมีทางออกไหมครับคือว่าสังคมนี่มีอะไคนเลวมากกว่าคนดีก็มันเป็นนักเสพถึงนั้นใช่ไหมสังคมไทยตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะเชื่อไหมเป็นนักเสพแล้วเนี่ยหาฉันท่าแทบจะไม่เหลือเลยนี่ทํากิจการอะไรแต่อะไรมาเดี๋ยวนี้หมดเลยการศึกษาแต่ก่อนยังมีเป็นส่วนสําคัญนะใช่ว่าครูนี่จะเป็นที่เคารพใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนี้ครูก็เป็นนักเสพอีกเลยหาผลประโยชน์โอ้โหกลายเป็นว่าเอาแม้แต่เอานักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินหาทองหาผลประโยชน์ไปมันก็จะหมดหลักแล้วก็พระอีกก็แย่อีกแค่มาหาเสพยยอีกโอ้แล้วจะทำไงละ่ะต้องช่วยกันมาช่วยกันคิดแต่อย่างน้อยเราต้องเริ่มทําความเข้าใจใช่ไหมการที่จะเปลี่ยนกระแสนีน่มันคงต้องใช้เวลานา น, านคือว่าไอ้ตอนที่จะเสื่อม สมมติว่าสังคมเนี่ยมันดีพอสมควรคือสังคมดีอุดมคติเนี่ยมันยังไม่ถึงหรอกนะฮะเอาแค่ว่าดีพอสมควรเนี่ยทีนี้ตอนที่มันจะเริ่มเสื่อมมันก็จะเริ่มจากมีกลุ่มย่อยๆหรือแม้แต่เป็นบุคคลเริ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็นิยมตามกันไปตามกันไปตามกันไปพอตามกันไปพอมันเป็นกระแสใหญ่ค่านิยมทั้งหมดมันก็ไปด้วยกันอย่างปัจจุบัน ทีนี้ในเมื่อกระแสใหญ่มันไปฝ่ายเสื่อมทีนี้เราจะแก้มันก็ต้องเริ่มจากจุดย่อยเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากทีละน้อยต้องอดทนอาจจะใช้เวลานานแต่เราแย่กว่าตอนที่ว่าไอการที่ไปสู้กับด้านตันหานี่มันเป็นการเข็นคลกขึ้นภูเขายากกว่าไอตอนที่มันเจริญดีแล้วนะจะให้มันเสื่อมง่ายกว่าใช่ไหมเออมันสนองความต้องการฝ่ายเศษนี่มันดึงง่ายดึงลงเนี่ยดึงขึ้นนี่ยากสองชั้นเลย ดึง <mister tumors> ขึ lugares, wow, entonces, sí, ve, ah que, ้นก็ยากอยู sangre, dieser, ่แล้วแล้วกระแสใหญ่ด้วยใช่ไหมนั้นก็พระพุทธเจ้าจัดแม้แต่ในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าปฏิโซตะขามิงว่าทวนกระแสพระองค์บอาธรรมะของพระองค์นี่ปฏิโซตะขาหมิงทวนกระแสนะพระเจ้าอีกหนึงในต้วเลยครับก็ดึงขึ้นระยะหนึ่งนะโอ้ได้เยอะเลยเพราะว่าพราหมณ์เสียผลประโยชน์ใช่ไหมมันก็สู้เต็มที่เหมือนกันกว่าจะเอาชนะพุทธได้ต้อง ก็พันปีนะพุทธศาสนาเจริญอยู่ในเป็นพันปีนะแล้วหมดเมื่อพศพันเจ็ดร้อ 4, ไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ว่าไอ้ค่อยพันเนี่ยชักเสื่อมแล้วแหละพูดเองก็ชักยําแย่ลงพลากัะฉันกข <9 h. S 1> ้าหาลัทธิเรื่องของเสพลัทธิของการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> หาผลประโยชน์หาลาบจากชาวบ้านชักบุ่นวายเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเจริญอยู่ในลาวสักพันปีพอสมควรแต่ว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างแท้ในลาวห้าร้อยปี ขอยกตัวอย่างตัวอย่างอย่างกระแสะที่มันลงเ น, น, นะ่นะยกตัวอย่างเมืองเหนือก็นเลยแต่อ้าวตอนที่จะเริ่มขายลูกมาเป็นโสเปนีเนี่ยใช่ไหมตอนแรกกระแสะเดิมมันไม่ยอมหรอกใช่ไหมวัฒนธรรมเดิมไม่เอาด้วยทีนี้ไอ้ความนิยมความเชื่อถือเก่าๆมันต้านนทํางี้ไม่ถูกแต่พอเริ่ม เห็นว่าถูกใช่ไหมเอ๊คนนี้ไปขายตัวอะไรแต่อะไรมานี่กลับมาถิ่นนี้มีเงิ น, ม, งนมีทองใช้สร้างบ้านหรูหราใช่ไหเอแล้วแถมไปทำบุญที่วัดได้มากด้วยอะไรนี่เอชักโกเก๋ชักดีใช่ไหมเริ่มมีทิฐิเห็นชอบค่านิยมสังคมเกิดต่อมามากลายเป็นค่านิยมสังคมเลยคันนี้ไม่ไหวเลยใช่ไหมนี่กลายเป็นว่าทำอย่างเงี้ยดีแล้วนี่ ถ้าเรียกว่าลงเป็นทิฏฐิเลยพอลงเป็นทิฏฐิแล้วมีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้วก็ตอนนี้ละจบเลยนะอันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยมีทิฏฐิแล้วนะทิฏฐิว่าอย่างนี้แหละดีการมีสิ่งเสพพั่งพร้อมนี่แหละดีพอมันอย่างนี้แนละ้วพอมันลงเป็นทิฏฐิแล้วแก้ยากที่สุดอันนี้มันก็ต้องแก้ทิฏฐิให้ถึงขั้นทิฏฐินะจึงจะแก้สําเร็จ เพรนั้นไอนตอนที่เขาจะมาเสื่อมลงอย่างที่ยกตัวอย่างว่าชาวบ้านยอมขายลูกมาเป็นโสเภณีเนี่ยเพราะมันเกิดเป็นทิฐิแล้วมันทาได้เต็มที่มันเชื่อเลยว่าการกระทําอย่างงี้ดีแล้วสังคมยอมรับกันเป็นหมดนั่นต้อแก้เปลี่ยนให้ถึงทิฐิเนี่ยจึงจะแก้ปัญหาสําเร็จ น, นะฮะเด็กพฤติการผสมเพราเราต้องแก้ แกให้ถึงทิฏฐิมันจะแก้ทิฏฐิอย่งต้องแก้หมดทั้งกระบวนแต่ว่าให้ใหถึงทิฏฐิเลยใช่เอายังก็อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสังคมปัจจุบันนี้เอายึดถือเอาเงินทองอำนาจเป็นเครื่องวัดคนใช่ไหมอย่างนี้ก็จบแล้วเรียกว่าทิฏฐิผิดใช่มหมยึดถือเชื่อว่าเอาเป็นว่าเงิน ทรัพย์และอำนาจคือเกียรติยศคือความดีก็แปลว่าใครมีเงินมีอำนาจไม่ต้องคำนึงแล้วจะเป็นยังไงจะประพฤติยังไงจะดีหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิเสียเป็นมิจฉาทิฏฐิถูกไหมอันนั้นก็สังคมอย่างนี้ก็ไปแน่นอนเพราะทิฏฐิมันผิดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าแก้มาเป็นสมาทิฏฐิก็หมายความว่าถือเอาความดีงามในตัวคนนั้นเป็นหลักใช่ไมเนี่ย จะยกย่องจะให้เกียรติจะเชิดอยู่ต้องอยู่ที่คุณความดีไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์แลอำนาจถ้าคุณมีทรัพย์อำนาจแต่คุณประพฤติตัวไม่ดีไม่เอาด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนี้เรียกว่าสมารถที่ถียังอยู่ใช่ไหมก็มีหวังที่สังคมจะพอจะดึงรังไว้ได้ในขณะนี้มันยังสู้อยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าเสียไปหมดนะถ้าคนไม่ยอมยึดถือความดีเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เลยนะสังคมเนียเชื่อไหมมันยังมีอยู่แต่ว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยขณะนี้ ที่เราพูดเราพูดถึงกระแสส่วนใหญ่เวลานี้กระแสส่วนใหญ่ก็คือมันไปยอมรับเรื่องทรัพย์และอำนาจเป็นใหญ่งกระทั่งว่ามันไม่ค่อยคำนึงถึงความดีงามเพราะฉะนั้นคนที่มีทรัพย์มีอำนาจไปทําความชั่วก็อคนก็ไม่ค่อยจะว่าอย่างไงใช่ไหมอยอมรับเขาได้ผมมองว่าสังคมไทยยังมีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารับเลยกันไปก็คือเรื่องของศาสนาพุทธ ซึ่งชารวรรดินี้ไม่มีแต่ว่าผมก็อาจจะหลงประเด็นแล้วค่อยเปลี่ยนไปแนตะ่ครังอองที่ผมมองอยู่ในตอนนี้ไม่ทราบว่าจะถุกต้องไหมถ้าเราหันกลับมาเนี่ยพัฒนาเรื่องของออให้ประชาชนมีความสนใจในศาสนาและก็ให้เป็นศาสนาที่มีความเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง น่าจะเป็นทางของที่ดีที่สุดสำหรับสังคมในปัจจุบันเราก็แน่และเพราะเราเชื่ออย่างนั้นเราจึงมาคุยกันนี่ใช่ไหมใช่ไหมที่เราก็เราพูดกันอยู่นี่ก็เพราะว่าเราเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยเราก็พยายามให้หลักการกันนี่สังคมที่แล่นไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันต้องถึงขั้นทิฏฐิสังคมฝรั่งแล่นมาด้วยทิฏฐิอะไรที่สร้างอารยธรรมนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเชื่อว่าโดยการที่สู้ ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยขยันขันแข็งไม่เห็นแก่การบำรุงบำเลอตัวเองนี่แหละสังคมของเราจะพลังพร้อมต่อไปขึ้นมาด้วยความเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมนี่ทิฏฐิมันเกิดมันเอาเต็มที่เลยมันก็สร้างสังคมได้แต่มันก็เป็นทิฐิผิดอีกอะทิฏฐิว่าทาอะไรสังคมของเรามีวัตถุเสรพลังพร้อมสังคมขอเราจะมั่งค่าสมบูรณ์เป็นอุดมคติอีกใช่ไหมนี่มันก็ทิฐิอีกแล้วมันทิฐิว่าอะไร เราจะมีเสพพลั่งพร้อมได้เนี่ยเราจะต้องพิชิตธรรมชาติต้องเอาชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติกะทิดขีอีกใช่ไหมเพราะเชื่ออันนี้แหละมันจึงได้สร้างสารอรารยธรรมมาตลอด2000กว่าปีใช่ไหมฝรั่งเองก็สืบไปว่านเนี่ยที่พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างอรารยธรรมตะวันตกมันได้อย่างเนี้ยเพราะว่ามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นที่จะชนะธรรมชาติพิชิตธรรมชาติพิชิตธรรมชาติสําเร็จก็จะมีอํานาจ ที่จะเป็นเหนือธรรมชาติเอาธรรมชาติมารับใช้มนุษย์เอามาเป็นวัตถุ ด, ดิบเข้าโรงงานอสาหกรรมผลิตสิ่งเสพให้มนุษย์มนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมมีความสุขสบายประติศฐินี้ทั้งนั้นเลยทิศที่นี้เป็นตัวนําอารยธรรมทั้งหมดด้วยอย่างญี่ปุ่นกระติศทีใช่ไหมความเชื่อว่าญี่ปุ่นต้องเปชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องหนึ่งเดียว จากอันนี้เพื่อจะให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวนี่มันทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแม้แต่สละชีวิตของตัวเองเพานั้นมนุษย์เนี่ยไม่ไอตัวกระแสที่จะเป็นตัวนาสาคัญเนี่ยก็คือทิฏฐิพอะอะไรมันลงเป็นทิฏฐิแล้วตอนนี้แหละมันเป็นตัวกากับวิถีของสังคมและอารยธรรมเลยนี่ถ้าทิฏฐิมันผิดมันก็เสียไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวของฝรั่งนี่เสียระยะยาว เนาอุตสาหเป็นแรงที่ทําให้เกิดการสร้างสารรค์มานานแต่ว่าคุณอาจารย์คนะรพิจารณานในเรื่องของตัวตังหาที่เป็นการตัดคุณสมรรถธรรมนะครับฝ่ายคุณสมรรถธรรมที่มองนี้องจากชนันทะและตัวสันโดษก็เป็นตัวที่ไม่ทัดอาจาสันโดษจะพูดกันอีกสันโดษมาจากนี่ฉั้นทะนี่สันโดษเป็นเป็ น, ปนคุณธรรมอีกระดับหนึ่งเป็นคุณธรรมในเชิงที่มาโยงกับ เรื่องของวัตถุโดยตรงฉันท่านี่มันกว้างกว่าเยอะฉันท่ามันทั้งใยรู้ใยดีฝ่ายสร้างสรรค์อะไรใช่ไหมมันกว้างไปเยอะแยะเนะี่ยพัฒนาชีวิตของตัวเองนะอยากจะมีศีลอยากจะมีพฤติกรรมที่ดีอยากจะมีจิตใจที่งดงามนะอยากจะมีปัญญาความรู้อะไรมันกว้างไปหมดสันโดษมันแค่กับปฏิบัติต่อวัตถุเท่านั้นเนะี่ยเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นเราจะพูดกันต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ว่า ตอนที่เราเริ่มพัฒนาเมืองไทยในยุค2องพนสามเนี่ยนายกรัฐมนตรีถึงกับมีสารไปถึงคณะสงฆ์ว่าขอให้งดอย่าสอนสันโดษเนยเพราะแกะเข้าใจว่าต้องยุให้คนอยากเสพมีสิ่งฟุ่มเฟือยให้มากที่สุดแล้วคนจะขยันกันใหญ่ทนี้นประเทศจะเจริญรุ่งเรืองกันใหญ่เลยแกฝันอย่างนั้นเลยพูดกันใหญ่เหมือนกันแหละเน